ซีดีธรรมบัญญายชุดวิกฤตบ้านเมืองวันนี้โอกาสที่มีควรเป็นของใครโดยพระพรหมกุณาพรปออประยุตโตวัดยานเวสศ ก, กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพราณจังหวัดนคนปรปฐม เรื่องที่สิบเก้าเรื่องพ่วงที่หกธรรมาทิปไตยไม่มาจึงหาประชาธทิปไตยไม่เจอบรรยายเมื่อวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้าสกา ก็ยังไงละ่ะคดีมีเรื่องได้านาย ก, กโดยสทธี ก, กับมาจำองมาจำนงอันนี้เราก็เป็นห่วงว่าชาพุทธไม่ได้มีปกริยาที่จะแสดงออกอะไรบ้างทางด้านสังคมเขาก็จะมองว่าเราพวกเรานี่ก็ไม่มีน้ำยาเลยประการการที่สองนี่เราคิดว่าถ้าเกิดการมีการปฏิรูปรัฐธรรมนูญขึ้นมา ในกาที่เราจะเสนอความคิดเข้าไปเขาจะไม่ฟังเลยคิดว่าเราก็าจะมีความบัทอะไรบ้างสัก mm hmm. อย่างเข้าไปในเรอ่องดังเราก็คิดกันอันนี้เราก็เสนอแนวคิดว่าเราควรจะเสนอความคิดเรื่องธรรมะพิษตไครเข้าไปในตอนนี้เลยเพื่อเป็นการสความคิดอันน้ซึงหเห็ว่าเคยเว่าพิษตะไคายนี้เป็ส่วนหนึ่งของคุยมซึ่งขอปัญหาหมดที่รัฐบาลมาเป็นรัฐบาลเพื่อปัญหา เพราะว่าไม่มีความชอบธรรมน่ า, านดีอยู่คือธอามารมะชอบธรามาปกครองประชาชนนีแล้วก็เอาหาควาเดียวที่ตรงนี้เนี่ยในการเสนอธรรมะาทึก้การจะเป็นทาองออกของการปรัออแบรบัฐมนตรีอันนี้ถ้าเกิดเราไปเข้าไปในฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นคนเสียหมดแล้วเราจะเปไออ็นฝ่ายทักษิณโยฝ่ายมาชัยรังยีสมทินเนี่ยเขาจะทราบันเสียให้เราหมดนะในการเสนอหลักการออกใครเนี่ยก็จะเป็น ลักษณะเป็นการเสนอเนะยเสนอความคิดมากกว่าอั uh huh. นนี้เป็นเรื่องที่วิวจะเสนอ uh huh. กับเรียนถามเพื่อว่าถ้าเราจะออกเสนอเขาความคิดในตอนนี้เข้าไปมันจะเหมาะามกับทุกอย่างไอ้เหมาะและเหมาะแต่มันต้องให้เข้มท้างให้เห็นชัดเจนครับหนึ่งต้งชีป้ปัญหาชัดสองชี้ให้เห็นว่าไอ้วิธีแก้ของพวกคุณนี่นนมันไม่ได้ผลจริง แต่ถึงอย่างงั้นก็ตามเถอะเขาก็ก็เป็นกับมันอย่างเงี้ยมันก็ต้องพูดให้ชัดลงไปว่าเพราะอะไ ร, รหนึ่งต้องชีช้ให้ชัดว่าปัญหามันแย่สภาพปัจจุบันแล้วก็รวมทั้งเป็นมัด้วยเนะี่สองก็เห็นว่าและไอ้ที่แก้กันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ตรงจุดเลยอะไรก็ว่าไปครับแต่นี้ก่อนที่จะมาพูดเรื่องนี้นะ นตัตมาอยากจะพูดกว้างๆหน่อยคือท่าทีเขาการที่ว่าชาพุทธจะเข้าไปสถานะอะไรคือเราต้องมองก่อนว่าชาวพุทธนี้ไม่ใช่กลุ่มผลประโยชน์ไม่ใช่กลุ่มหนึ่งเหมือนกับกลุ่มอื่นคือผู้ที่ทำงานเนี่ยมีอุดมการเพื่อประชาธิปไตยเพื่อส่วนรวมเประเทศชาติบางกระทาเพื่อกลุ่มผลประโยชน์ของตัวซึ่งก็ กลุ่มประโยชน์ในบางเรื่องก็ถือเป็นสิ่งที่ดีเช่นเขาทําเพื่อเกษตรกรเพื่ออะไรอะไรเขาไม่ได้ทําเพื่อสุวตัวหล่ะแต่มันก็เป็นกลุ่มหนึ่งกลุ่มทีนี้ในเรื่องกลุ่มอย่างเนี้ยบางทีก็ไปมองว่าชาวพุทธก็ไปกลุ่มนแล้วจะไปโยงถึงขนาดทนะี่ว่าเออเดี๋ยวเขาจะได้ฟังเราเวลาวางรัฐธรรมนูญจะได้เอื้อต่อชาวพุทธหรือพุทธศาสนามองอย่างนั้นไม่ได้ล่ะ เราะเรื่องชาวพุทธและพุทธศสาสนานี่เป็นเรื่องธรรมะเป็นของกลางเป็นของหน้าที่หรือคุณความดีเป็นหลักการสำหรับมนุษย์ทุกคนเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะปฏิบัติเขาจะเป็นหน้าการเมืองหรือเป็นอะไรก็ตามที่ในเรื่องการเมืองเรื่องของส่วนรวมเนี่ยเขาก็ต้องมีธรรมะทีนี้ที่มีชาวพุทธเข้ามาตั้งองค์กรทํางาน ก็เพื่ออุดมการณ์นี้ก็มาเตือนมาอะไรแต่หลายคนอื่นไม่ใช่ทํา ง, งานเฉพาะกิจแบบพวกที่จะมาคัดค้านมาแก้ไขปัญหาปัจจุบันของรัฐบาลจะขอบถอนนายกให้นายกออกอะไรเนี้ยนะนี่เป็นเรื่องแม้จะมุ่งอุดมการณ์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมจะเป็นเรื่องปฏิบัติการเฉพาะกิจนะเป็นเรื่องเฉพาะกิจทีนี้เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องอยู่ตัวระยะยาว ส่วนรั้วบงกว้างทั้งหมดเมื่อมีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องยึดถือธรรมะเป็นหลักครับทีนี้เราเข้ามาในหมายความว่ามีกิจกรรมมีเรื่องราวของส่วนรวมอะไรขึ้นมาเราต้องถือว่าธรรมะเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนจะต้องระลักไว้ต้องปฏิบัติถูกถูกเราเห็นความสำคัญอั น, นนี้เราต้องมาชี้ให้พวกคุณเนียอย่าืมไม่ใช่หมายความเรามาเป็นกลุ่มหนึ่งในบรรดากลุ่มอยักเขา แต่ไม่ว่าใครก็ตามทําเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยธรรมะมันต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องยึดถือทางนั้นรเราเห็นการสังสารค์อันนี้ก็ออกมาเตือนว่าพอคุณจะลืมนะปฏิบัติถูกราะงั้นเดี๋ยวจะเป็นนึกว่าตัวเราไปกลุ่มผลประโยชน์อันหนึ่งมันก็กลุ่มอะไรเขาอ้นันเขาทําเป็นกลุ่มเป็นอย่างน้อยเขาก็เป็นเรื่องเฉพาะกิจเชิงงานในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลที่เกิดเรื่องตอนนี้เราออกริษัทผา อันนี้เขาทำเฉพาะกิจแต่ว่าเรื่องเขาธรรมะนี่เป็นเรื่องระยะยาวยืนตัววงกว้างครอบคลุมหมดไม่ว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราก็มีหน้าที่ทุกคนนะแหละมีหน้าที่แต่ที่นี้ไม่ทำํำเราก็เข้ามาเตือนให้หมองให้ปฏิบัติตามธรรมะนี่นี่ท่าทีตัง้งตัง้ตงให้ถูกหนึ่งละเน่ยไม่ใช่เรื่องเฉพาะกิจเรื่องธรรมะแล้วก็อย่างที่ว่าเราไม่ได้เป็นกลุ่มผลประโยชน์อะไร หรือ ว, ว่าไอ้ฉันก็ไปกลุ่มชาวพุทธก็เข้ามาร่วมเดินนะเวลาวางรัฐธรรมนูญแล้วอย่าลืมนะมันกลายเป็นมาสนองว่าเราไปกลุ่มหนึ่ง<ช>มาสนองผลประโยช น, น์ของเราไม่ใช่ใชรเราเพียงแต่ามาชี้เพราะไม่มองกันนี่มาเตือนให้เท่านั้นเ<ช>นี่ยเนี่ยต้องต้องจัดหนักกันให้ดีเราไม่ใช่เกี่ยวกับพวกกลุ่มผลประโยชน์เลยท่านสิแล้วต่อไป เวลานี้ในเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เกิดไปคู่กรณีขึ้นมาตอนนี้คล้ายๆ ค, ค, คู่กรณีเกิดเลยครับใช่ไปสองฝ่ายแล้วก็จะมีการพยายามเอาชนะกันครับแล้วในการพยายามเอาชนะก็จะเกิดมีการทำเล่กลอุบายอุบายเพื่อเอาชนะกันเนี่ยนี่เมื่อฝ่ายหนึ่งทําอุบายฝ่ายหนึ่งก็จะมีอุบายขึ้นมาแก้กันเนี่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้น เราก็ต้องระวังตัวจะไปตกอยู่ในเรื่องของคนุบายของพวกนี้หมายความว่าเราจะไปทําการ ย, ยัติโคนุบายพวกนี้เราก็ไปตกอยู่ในพรรพวกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรเป็นต้นเนี่ยนี่งๆก็ต้องระวังเหมือนกั น, นและเราก็ต้องเข้าใจว่าอุบายนี้เป็นเพียงเพื่อเอาชนะกันซึ่งบางคนเมื่อทําไปก็จะลืมแม้แต่อุดมการณ์ก็จะไปมุ่งเท่เอาชนะกัน แล้ที่กร้างไปก็คือว่าเรามองระยะยาวเนี่ยไอ้ที่มาเป็นปัญหาอะไรระยะ น, นี้แม้แต่ในรัฐบาลเองก็มีคนที่เคยมีประวัติร่วบอุดมการอะไรมาเคลื่อนไหวเพื่อนประชาธิปไตยที่พวกที่เคลื่อนไหวเองตอนนี้ก็ว่าว่าไอ้พวกตัวเองที่เคยเคลื่อนไหวในการเป็น14ตุลาไปอยู่ในรัฐบาลทำไมเป็นอย่างงี้เหมือนกับสละอุดมการณ์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยเขาว่ากันเองนะ เขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่ว่านี่ก็เห็นว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยมันยังไม่มีหลักประการอะไรที่ดีพอเมื่อบุคคลผู้มีอุดมการนี้มาอยู่วงนอกแล้วพวกวงในที่เป็นรัฐบาลหรืออะไรเงี้ยเขาทําอะไรผิดพลาดพวกนี้มาแล้วก็แก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นไปแล้วพวกนี้เกิดมี สถานะมีอำนาจขึ้นมาอ้าวก็เหมือนกับว่าอาจจะได้เป็นอย่างนั้นอีกอย่างน้อยมันก็ไม่แก้ปัญหามายมันก็เป็นวงจรอยู่อย่างนี้ต้องมองระยะยาวว่าไอ้วงจรแบบเนี้จะแก้ไขได้อย่างไรเช่ว่าทําไมคนที่เคยเป็นเจ้าของโครงการหรือร่วมในโครงการอย่างสําคัญเหล่าเนี้ยเมื่อเข้าไปอยู่ในสถานะแห่งอํานาจแล้วผลประโยชน์แล้วอย่างน้อยก็ทําไมไม่สามารถไป ยืนหยัดในหลักการที่จะแม้แต่ว่าตึงผู้นำอะไรที่ถ้าเขาไม่ถูกต้องเนี่ยให้มันยืนหยัดอยู่ได้อะไรเนี่ยถ้าอย่างนี้ระยะยาวพวกที่เคลื่อนไหวนี่เราก็ไว้ใจไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็ไปเป็นมันก็จะหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ย <c oughs> ใช่เหมือนกันอ่าใช่ช่ก็เพราะฉะนั้นจะต้องคิดแก้ไขปัญหาระยะยาวนี้ด้วยเ <c oughs> นะี่ยเพราะว่าตัวอย่างในปรัติศาสตร์ แม้ใกล้ๆเนี่ยยังไม่ทนเป็นปวาิศาสมันก็เกิดปัญหาแล้วครับ น, น, นี่ๆต้องมองอย่างนี้ด้วยก็ชาพุดธหรือเรื่องธรรมะชาพูดในที่นี้ก็คือเรื่องธรรมะเรื่องของประ ก, การใหญ่ของส่วนรวมซึ่งเป็นเรื่องหน้าที่ของทุกคนเนี่ยจะต้องคำ น, ง น, น, นึงอันที้หมดเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จะแก้ปัญหาที่ครอบคลุมกว่าไม่ใช่มายุ่งอยู่กับพวกสองพวก<ด>แต่ว่าพวกต้องมองทั้งสองพวกนี้เพื่อจะให้เขาแก้ปัญหาให้ถูกต้อง เพรนั้นมันก็ไม่มีเรื่องที่จะไปเข้ากับไปได้ไปไหน้าจะพูดดีต้องมองให้ถูกเพื่อจะดูตัวเองจะได้วาสสถานะท่าทีอะไรจะอะไรให้ถูกต้องเพราะเป็นเรื่องของธรรมะที่เป็นเรื่องสากคนกว้างขวางรวมทั้งหมดมันไม่เข้าใครออกใครธรรมะเป็นของกลางเป็นหลักการใหญ่ไม่เข้าใครออกใครทั้งสิ้นเราก็ถือหลักเอาไว้ใครไม่ตามตับหลักนั้นก็ว่าคุณเท่านั้นเลย ที่ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าว่าน่าจะว่าทั้งสองฝ่ายนั้นจะเป็นก็ น, นี่แหละก็เราจรึงว่าเราไม่ได้ว่าใครทั้งสองฝ่ายแหละแต่มันเป็นไปเองในตัวที่จะเล่นงานทั้งสองฝ่ายคือเราว่าตามหลัก <c oughs> หลักธรรมหลักการเนี่ยไม่ว่าเป็นใครคุณจะเป็นฝ่ายไม่เป็นฝ่ายแต่ว่ามันอยู่ในนี้เท่านั้นแหละเมื่อเขาเป็นฝ่ายเขาก็ต้องเอาตามนี้ด้วยใช่ไหมหลักการที่มันถูกต้องความจริงความถูกต้องความดีงามคุณปฏิเสธไม่ได้เท่านั้น แม้คุณจะถือฝ่ายไม่ถือฝ่ายครับบอกไมาเฉพาะคนที่ถือฝ่ายสองฝ่ายนั้นนคนนอกฝ่ายก็เหมือนกันหนึ่งก็คนพวกนอกฝ่ายและในฝ่ายสองพวกในฝ่ายก็มีสองฝ่ายและไม่ว่าในฝ่ายนอกฝ่ายหรือสองฝ่ายนั้นมันก็ต้องขึ้นธรรมะหมดครับธรรมะต้องครอบคลุมหมดแทีนี้เทตมาอยากจะพูดก็คือความชัดเจนของเรื่องเนี้เรื่องหลักการธรรมะที่ปไตยประชาธิปไตยเนี่ย ตอนนี้เหมือนกับที่เขียนเนี่ยจะยกให้ประชาธิปไตยเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพแบบเป็นธรรมาธิปไตยใช่ไหมใช่ครับอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องชัดเจนด้วยนะเรื่องไอ้ประชาธิปไตยกับธรรมธิปไตยมื่อไงก็เถียงกันอยู่เนี่ยแล้วเขาก็เห็นเป็นในเรื่องความฝันความฝืนไปอีกถ้าไม่เป็นจริงเราก็แยกมันชัดบางที่ไปพูดมันก็ธรรมาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่ง แล้วก็ประชาธิปไตยก็เป็นอีกระบบหนึ่งนี่นี่นี่ก็ยังไม่ชัดว่าจะแยกอย่างนั้นได้หรือคลุมเคือยเหมือนกับมีธรรมาธิปไตยเป็นระบบหนึ่งแล้วก็จะให้ประชาธิปไตยของเขาเนี่ยไปเป็นธรรมาธิปไตยนี้หรือว่าจะเอาอย่างไงหรือว่าให้เป็นเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วมีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตยตรงนี้ต้องชัดนะ เนี่ยระหว่างประชาธิปไตยกับธรรมาธิปไตยนี่ยังแยกไม่ชัดอ่าเนินเนินหมดอ่าแล้วมาสัมพันธ์กันยังไงไม่ชัดไม่ชัดแล้วสัมพันธ์กันยังไงระหว่างธรรมาธิปไตยประชาธิปไตยครแง่ที่หนึ่งนี่คล้ายๆว่าตั้งธรรมาธิปไตยเป็นระบบอุดมคติแล้วประชาธิปไตยนี้จะต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นธรรมาธิปไตยหรือยังไงหรือประชาธิปไตยเป็นระบบแล้วให้ประชาธิปไตยนี้มีคุณภาพเป็นธรรมาธิปไตยเกาคงเป็นแบบอันที่สอง หลังที่ท่านบอกยังคลุมเ ค, ครือ ท, ทั้งคู่คลุมเครือทั้งคู่ผมเองคือคือที่อ่านเนี่ยก็ยังคุยกันว่ามันถ้าจะออกเนี่ยผมว่ามันต้องดนใจอย่างที่อ ย, อย่างที่ท่านท่านบอกว่านะออกเปลี้ยงไปนี่มันต้อง <ฮะ S 2> มันก็เป็นสะกิดใจเขาไปกระตุกเขาว่าเอ๊ะ ม, มันมีอีกแนวทางหนึ่งเลย <ฮะ S 2> ทีนี้ธารมาธรรมาธิปไตยเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นนามธรรมนะครับเอจะคือถ้าเราไปบอกว่าต้องธรรมาธิปไตยเนี่ยผมว่าคน คนไม่รู้เรื่องแน่แล้วอของขกันแน่มันสับสนมันตลอดครับทีนี้จะทำํำคือไปโพูดแค่ธรรมะที่ปฏิปไตยเป็นระบบแล้วมันมีที่ไหนระบบจะมาที่ปฏิปไต่วางไว้ว่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นไอ้ประชาธิปไตยนั้นมันเป็นระบบการปก ค, ครองครันี่มันมีบอกหมดว่ามีการเลือกตั้งมีการจัดตั้งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นและประชาธิปไตยยังมีแบ่งประเภทยังไงอีกแล้วในแต่ละ ว, วิธีก็ต้องมันแยกแยะว่าจะจัดตั้งยังไง มีกระบวการยังไงมันต้องแยกตรงนี้ก่อนมันต้องชัดก่อนว่าธรรมะทิฏฐิปไตยเป็นอะไรมันเป็นระบบหรือเปล่า <c oughs> แม้จะสังฆาการปกครองสงฆ์ก็ไม่ได้มีธรรมะทิิปไตยนะครับ <c oughs> ไม่มีไม่มีการปกครองคณะสงฆ์ไม่ได้เรียกธรรมะทิฏิปไตยคำว่าธรรมะทิิปไตยไม่ได้ใช้ในการปกครองคณะสงฆ์ <c oughs> นในสังฆาของพุทธเจ้าก็เป็นระบบสังฆาระบบสังฆาก็มีระบบในการที่จะตัดสิน เรื่องราววางระบบการจัดตั้งการประชุมการออกเสียงอะไรต่ไรทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่มีระบบแบบแผนของมันไม่ไม่อ้ น, นั่นก็ไม่เรียกคำ ม, มาที่ปราร์ตไม่ไม่ใช่เรียกรรมมทํรารติาร์ต <ạ> เลยเหมือนก็เหมืมอนไอ้สมัยนี้เรียกประชาธิปไตยก็เป็นระบบการปกครองแบบหนึ่งแต่ไอ้คำว่าประชาธิปไตยสมัยนั้นมันไม่มีแต่ถ้าก็มีระบบของท่านที่เป็นระบบสังคะ ซึ่งสังขางก็มีระบบเช่นว่าจะบวชน้าจะพิจารณาคดีจะเรื่องอะไรจะตัดสินจะมีดำการดำเนินการวางหลักไว้จะต้องมีองค์ประชุมเท่านั้นองค์ประชุม4ี่เป็นอย่างน้อยแต่ว่าถ้าเป็นการประชุมตัดสินเรื่องอย่างนี้ต้ององค์ประชุมต้องเกินกว่านั้นต้องสิบต้องยีสบอะไรเงี้ยแล้วการดำเนินการในการที่จะพิจารณาเรื่องให้สําเร็จ จะต้องมีอย่างนี้ยจะต้องมีใครเป็นประธานมีผู้ดำเนินการประชุมอย่างนี้จะใช้เสียงข้ั้งมากหรือใช้เสียงเอกฉันยังไงเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าระบบการปกครองอันนี้มันไม่เรียกธรรมาทิ ป, ปไตย <c ười> มไม่มีคำในทาระก็ไม่มีการใช้คำนี้ในเรื่องอย่างนี้ <c ười> ทีนี้ธรรมาทิปไตยอะไรพวกนี้มันคืออะไรมันก็คือหลักการตัดสินใจของบุคคลที่ไปอยู่ในการปกครองนั้น แต่ละคนเนี่ยที่ไปประชุมในสง์ที่ประชุมตัวเองแต่ละคนเนี่ยใช้เกณฑ์การตัดสินแบบอัตตาธิปบตไตหรือโลก า, าทิปไตยหรือธรรมาธิปไตไตถ้าตัดสินใจโดยเอาตัวเป็นใหญ่เอาผลประโยชน์ตัวเป็นใหญ่แค่เลือกตั้งเนี่ยชาวบ้านแต่ละคนนี่ก็คือเกณฑ์การตัดสินใจในการปฏิบัติการในกิจกรรมของประชาธิปไตย หรือกิ จ, จกรรมการปกครองของอันไหนก็ตามทีนี้ถ้าหากว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ประชาชนหรือทุกคนจะมีส่วนร่วมในการตัดสินแต่ละคนก็มีเกณฑ์ในการตัดสิในใจตัวเองถ้าชาวบ้านจะมาเลือกตั้งตัดสินใจโดยใช้ผลประโยชน์ตัวเป็นหลักเป็นอัตตาที่เปไตยอะไรจะเกิดขึ้นและถ้าชาวบ้านไม่มีหลักฟังไปตามเสียงนิยม ไม่มีหลักของตัวเองเป็นโลกาที่ปไตใอะไรจะเกิดขึ้นแล้วถ้าชาวบ้านคนนั้นน่ะแต่ละคนนั่นะที่ตัดสินใจตัดสินใจโดยสืบหาเรื่องราวหาความจริงหาข้อมูลให้ชัดเจนท่องแท้แล้วอะไรมันถูกต้องอะไรเป็นประโยชน์เป็นธรรมตัดสินใจบนฐานของความถูกต้องนั้นนี่เป็นธรรมาที่ตุตรไต่ถ้าคือตัวเขาแต่ละคนน่แหละที่มาร่วมในการปกครองนั่นแหละ ถ้าเป็นชาวบ้านก็ทุกคนเนี่ยแม้จะ ต, ตั้งใจเลือกตั้งเนี่ยในการที่จะเลือกตั้งก็ต้องเป็นธรรมอาทิปไตยแล้วใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราได้เรื่องเลยเอในเทียบแบบเป็นยกตัวอย่างหให้เห็นชัดนี่สมมุติว่าถ้าถ้าถ้าผมเลือกเลือกสสโดยเพราะสสคนนี้เคยเอาตามาให้ผมอ่าอันนี้ผมเป็นหักต า, ตาอตาทิตย์ไตตาอาทิตย์ไตยแต่ถ้าผมเลือกเพราะว่าได้ยินว่า คนส่วนใหญ่ชอบเขาอันนี้ก็จะเป็นโลกาธิปไต ย, ตยแต่ถ้าผมดูเอ๊ะเขาเป็นคนดีไหมเขาเหมาะสมที่จะเป็นหรือไม่อันนี้เป็นธรรมาธิปไต ย, ยใช่ไหมก็คือธรรมาธิปไตยก็คือต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรความจริงอะไรถูกต้องอะไรดีอย่างนีใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาจริงต้องศึกษาและก็จึงต้องมีการศึกษาข้างเมาืองธรรมาธิปไตยก็ต้องศึกษาข้อมูลความจริงว่า ให้เรื่องความจริงความถูกต้องในเรื่องนี้เป็นยังไงในคนนี้เป็นยังไงศึกษาตั้งแต่ในคนที่มาสมัครครับ่างๆเป็นคนดีมีประวัติยังไงเ อ, อ่อเป็นคนที่เชื่อถือไว้บางใจได้ไหมเป็นคนที่มีอุดมพติเพื่อทํางานส่วนรวมจริงหรือเปล่าเป็นคนดีไหมแล้วก็เราทํานี่เราไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะการปกครอง น, นี้เพื่อประเทศชาติเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพื่อความถูกต้องความดีงามความเป็นธรรมในสังคมเป็นต้นพิจารณา ธรรมะทั้งหมดแล้วตัดสินใจบนเกณฑ์นั้นเนรียกว่าธรรมาธิเบตเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอยู่ในเรื่องใดก็ตามเนี่ยเขาต้องตัดสินใจบนเกณฑ์ของธรรมาธิปไตยเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีปั๊บก็ต้องถือทําเป็นใหญ่ในการตัดสินใจทุกกรณีถูกไต่มันก็ใช้ได้ทุกกรณีเลยไอ้สัจธรรมทิเบตสามเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่ระบบ แต่มันเป็นเกณฑ์การตัดสินใจของบุคคลเลยเป็นคุณสมบัติใชครับคุณสมบัติก็ยัง oh. ยังน้อยกว่าเกณฑ์การตัดสินใจในทุกกรณีเลย mm hmm. ในเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคําสําคัญคือคําว่าอํานาจตัดสินใจธรร ม, มาธิปบตใจทำไมมันสําคัญเพราะไออานาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอํานาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้นถ้าหากว่าเป็นระบบ เดดการก็คือผู้รเดดการผู้นำเป็นผู้มีอหนาจตัดสินใจถ้าเป็ น, นาณิปไะยก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอหนาจตัดสินใจถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจใครมีอานาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมธิปไตยเมื่อเป็นประชาธิปไตยเขาบอกอำนาจตัดสินใจอ ย, อยู่ที่ประชาชน เมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้องแล้วจึงต้องมีธรรมาธิปไตยนี่แหละก็จึงถูกต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนนะเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่ไปถับและของเนี้ยคือธรรมาธิ่ปัจจัยนี่แหละคือหัวใจเลยนะ อย่าไปนึกว่ไม่สาคัญเพราะอําอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองของระบบทีนี้ใครมีอานาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยมะที่ปไตยทีนี้ต่อไปอีกการปกครองประชาธิปไตยก็คืออำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนและทีนี้มันก็มีคนที่ใช้อำนาจตัดสินใจแทนประชาชนหรือในนามประชาชนในคนเนี้ยจะต้องใช้อานาจตัดสินใจ โดยสามารถพูดได้เต็มปากว่าเพื่อประชาชนในานามประชาชนหรือแทนประชาชนโดยที่ว่ามันไปนทนธก็คือตัดสินใจเป็นธรรมาธิปไตยคือไม่ใช่แค่ประชาชนใช้อํานาจตัดสินใจแต่มันมีคนที่ใช้อํานาจตัดสินใจในนามของประชาชนถ้าตอนนี้ก็คือผู้นําผู้ปกครองนี่แหละโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีไงเรานี่เขาตัดสินใจ ในานาประชาชนนะแทนประชาชนทั้งหมดก็ตัวแทนประชาชนก็ผู้แทนราฐสรมาใชอำ น, นาจตัดสินใจก็ไปมอบอำนาจตัดสินใจไปที่นายกรัฐมนตรีครับทีนี้ธรรมชรตาติใจของแต่ละบุคคล น, นีจะเท่ากันไหมครับอย่างอย่างเช่นสมมติกรณีการขายขอไม่มีทางเท่าไม่มีทางเท่าแต่ว่ามันมีว่าเขาจะเอาหลักเอาความจริงของความถูกต้องไหมนี่นี่ต้องหนึ่งแล้วนะคือว่า ไอ้สามอันนี้เขาจะเอาไหนก่อนครับแล้วแล้วทีนี้ไอ้อันเนี้ยต้องมาเถียงจะได้ขอให้มันเอาธรรมะธรรมะก่อนละทีนี้มันเถียงจะสีเอาเลยยอมรับไหมคุณเอาธรรมะคุณไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวนะพิสูจน์ได้นี่เอาประโยชน์ส่วนตัวไหมเอาเพียงเรื่องของแะแนนนิยมไหมหรือจะเอาธรรมะความถูกต้องทีนี้เมื่อความเห็นเกี่ยวกับธรรมะยังไม่ตรงการเถียงเนอ้ยได้ นีนี้ผมเกรงว่าในทางโลกเนี่ยมันจะไม่มีข้อยุติมันนี่นี่ <ทำ S 1> ี่นีเพราะว่ามันดูได้เพราะมันมีสิ่งเทียบเทียงการตัดสินใจในกรณีนั้นมีผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสงคาญหรือเปล่าใช่ไหมทีนี้อย่าง ก, กฎเกณฑ์เลยไหครับาการคำหนึงถึงก็กฎเกณฑ์มันไม่ใช่แค่กฎเท่านั้นนะเพราะาเราต้องยอมรับว่ากฎเกณฑ์มันไปทําว่าอย่างหนึ่งจะเป็นกฎชั้นสองกฎหมายเนี่ย เป็นธรรมะในระดับสองระดับสมมติก็คือว่าเรามุ่งเพื่อธรรมะที่แท้ที่เป็นธรรมะที่ถูกต้องเป็นธรรมชาติก่อนเราจึงพยายามตั้งกฎของมนุษย์ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนรองรับคนนั้นแต่เราจะเห็นว่าบางกรณีเราเห็นว่าไอ้กฎของมนุษย์เนี่ยมันไม่ตรงกับธรรมะที่แท้จริงเพราะนั้นจะต้องมีการปรับแก่แล้วมนุษย์บางคนเนี่ยอาศัยเลขกคบางอย่าง มาตั้งกฎหมายเพื่อไม่ใช่เพื่อธรรมะแต่เพื่อไปสนองอัตตาที่ปไตยเป็นตน้นเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าจะไว้วางใจได้หมดจึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อยอันนี้ไอ้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ว่ามาสามารถมาพิสูจน์มาพูดกันได้ถือว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันก็มองเห็นว่าเขามุ่งผลประโยชน์ตัวหรือมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมมุ่งธรรมะ เือความถูกต้องเพราะนั้นเขาจึงมีการเน้นว่าเมื่อท่านมาเป็นผู้ปกครองประเทศท่านจะปฏิบัติตัวเหมือนชาวบ้านไม่ได้แล้วใช่มจะเอาแค่ไอ้กฎธรรมดานี่ไม่ได้ก็ต้องดูเจตนารมของท่านด้วยว่าท่านในมุ่งเพื่อให้ส่วนรวมดีงามเพื่อธรรมะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่านทางานเพื่อนั้นหรือเปล่าหรือท่านยังหวงแหนประโยชน์ส่วนตัวอยู่ อ่านี้มันก็ตัดสินได้เนี่ยทีนี้ถ้าอย่างนั้นแปลว่าในในในส่วนของธรรมทิฏธรรมทิปไตยของอของคนที่อยู่ในสถานะที่ต่างกันเนี่ยก็จะไม่ไม่เอ่อไม่เท่ากันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับมันมันเท่าแต่ว่าเรายอมให้ในแง่ว่าเราไม่มุ่งหวังจากคนนี้มากนะท่านั่นเองแต่ว่าถ้าเขาบอกว่าฉันจะมาทําหน้าที่มาสมัครเป็นผู้ปกครองประเทศเนี่ยมันชัดแล้วว่า เขาต้องทําเพื่อประโยชน์สุด ข, ของประเทศของประชาชนถูกมครัแต่ถ้าเขาเป็นชาวบ้านนะ่ยการมุ่งหวังในธรรมะการที่จะถือธรรมะของเขาเนี่ยเราก็ไม่เรียกร้องจากเขามากเราไม่หวังจากเขามากก็เป็นเพียงว่าอย่าให้ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่าไปทําลายเขาฆ่าเข า, ขาละเมิดชัดๆออ ก, กันมาแล้วกันใช่ไหมคอับเราก็ยังปล่อยเรื่องหาผลประโยชน์ของตัวเองหรือะไรแต่ถ้าเป็น ผู้ปกครองประเทศไปเท้าหาผลประโยชน์กันนั้นนไม่ได้แล้วธรรมะระดับผู้ปกครองมันมีอีกใช่ไหมอ่าเราก็มีอีกเนี่ยธรรมะของผู้ปกครองธรรมะของชาวบ้านถ้าไปธรรมะของผู้ปกครองแล้วคุณยึดถือธรรมะของผู้ปกครองไหมอ่าแล้วธรรมะมันก็มีเป็นแง่เป็นระดับเป็นขั้นตอนเป็นวงให้เลยเป็นหลายระดับ ว, ว่าคุณยึดถือธรรมะหรือเปล่าใช่ไหมการตัดสินใจนี่เอาธรรมะเป็นเกณฑ์หรือเอาอะไรเป็นเกณฑ์จินิต ที่ที่ที่ผมอ่านในในหนังสือที่มีศาร์ในพุทธของท<ช>่า น, นนะครับคื อ, อกฎหมายที่ดีสุดคือมันมันมันเป็นของธรรมชาตินะฮะใช่ทีนี้มันก็จะมีกฎหมายที่เราร่างขึ้นใ<ช> น, นในอีกระดับหนึ่งะ น, นะฮะที่อันนี้ที่ผมเข้าใจที่อ่า น, น, นคือเพื่อจะให้ไอธรรมะที่เป็นอุดมสติเป็นนามนธรรมเนี่ยมันสมริดผลในสังคมมนุษย์เราก็วาง ธรรมะคือกฎหมายของมนุษย์ขึ้นมาครับทีนี้ในในเอ่อในบางเรื่องเนี่ยในบางเรื่องมันเป็นมันเป็นกฎเกณฑ์ที่ที่ที่มนุษย์คิดทีดจติกากันขึ้นเองอย่างเช่นเอ่อขับรถเนี่ยนะจะจอดจะขับชิดซ้ายชิดขวาอย่างมันมันเป็นกฎเกณฑ์ที่มันไม่ใช่เรื่องกฎธรรมชาติอ่าก็น่าสนใจมันก็จะเป็นกฎหมายที่ที่สมมุติขึ้นมาว่าเออเราตกลงกันในในกลุ่มของประเทศนี้นะว่าเราจะขับรถชิดซ้ายแต่เจตดนามันมีอยู่ จชิดซ้ายหรืชิขวานั้นวัตถุประสงค์มันมีอยู่ในเป็นธรรมะก็คือเพื่อความเรียบร้อยในการเดินทางให้มันแน่ลงไปว่าขายไปทางไหนอ่าเนี่ยอ่ีนี้ตรงเนี้ยครับผมผมผมคิดว่าอย่างถ้าในความเห็นผมนะครับคือเรื่องของการเสียภาษีเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นกติกาที่ที่คิดขึ้นมาที่มนุษย์ตกลงกันว่าถ้าเผื่อขายพู้ในตลาดไม่ต้องเสียนะแต่ถ้าเผื่อขายอย่างนี้ต้องเสียอะไรเงี้ยแล้วกฎเกณฑ์ต่างๆพวกนี้มนุษย์คิดเพราะนั่นเองตรงนี้มันไม่ผมก็เห็นว่ามันจรงไม่ใช่กฎธรรมชาติ มันเป็นกฎสมัติที่ก็กฎสมมติชัดๆที่นี่ตรงนี้เลยครับตรงนี้ที่ที่มันจะเป็นปัญหากันเพราะว่าวันนี้ผมเป็นนายกผมบอกว่าแล้วก็ในเมื่อกฎนี้เนี่ยเป็นกฎที่มนุษย์เราสมมุติขึ้นแล้วผมก็ทําทุกอย่างให้ถูกกฎนี้ถูกกฎมาเลียนรคือในกรณีของของนายกเนี่ยถ้าถ้าเราเอากฎหมายเอาเฉพาะไอตัวหนังสือไปจ่ายเนี่ยก็ถูกหมดเลยนะฮะแต่ถ้าถ้าเอาเตียนาจริงๆรลึกๆเนี่ยมัน คือเขาเขาเจตนาเลี่ยงแหละแต่ว่าเลี่ยงโดยอาศัยกติกาที่มนุษย์คิดขึ้นมาอนตัวกฎหมายเนี่ยเขาเลี่ยงเขาเลี่ยงโดยอาศัยกติกาที่นั้นในในแง่ของทางกฎหมายคือความถูกต้องทางกฎหมายอที่นี้อย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกอ่ะอย่างนี้ในธรรมะที่ปไตยของผมเนี่ยสมมุติผมไม่เดียงพูดเพาผมถูกต้องแล้วเพราะว่าในเมื่อกติกามนุษย์คิดขึ้นแล้วผมก็ทําตามกติกาเนี่ยธรรมะที่ประทายของเขาอย่างนี้จะได้หรือเปล่าเลยพอพูดมันก็ชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้มุ่งธรรมะแล้ว มุ่งเอาไอ้กฎนั้นมาสนองประโยชน์ตัวเองถ <c oughs> ามว่าฉันจะได้อย่างไรใช่ไหมถ้ากฎนี้มันเข้ากระทางฉันฉันก็เอาแทนที่จะนึกว่าเราต้องการประโยชน์ส่วนรวมไอ้กฎที่เขาวางกฎหมายที่ให้ทาสีแบบเนี้เขาวางเพื่ออะไรเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศของตัวเพื่อว่าเอาเปรียบกันหรือแข่งขันกันระหว่างประเทศ ฉันจะรักษาผล ป, ประโยชน์ของประเทศของฉันฉันก็เลยวางกฎหมายแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยถ้าจะว่ากันในแง่ของความเป็นธรรมระหว่างประเทศสากดนั้นไปเรื่องหนึ่งนะกฎหมายนี้อาจจะไม่เป็นธรรมก็ได้แต่เอาละเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศนี้เราก็เลยวางกฎหมายแบบนี้ครับไอคนที่ปกครองเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าให้กฎหมายเนี่ยวางไว้เพียงเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เนี่ยเราเนี่ยมันมีหน้าที่ปกครองประเทศ ซึ่งจะต้องรักษาผลประโยชน์ของประเทศของตัวเองในระดับที่แท้จริงไม่ใช่เป็นเพียงเป็นชาวบ้านที่ไปอยู่แข่งระหว่างสองประเทศนั้นแต่ น, นี้เราเป็นพูดที่ดูแลผลประโยชน์ของประเทศเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้เราก็ต้องว่าอะไรที่มันแม้จะเป็นผลประโยชน์กับตัวเองเราก็ต้องสละได้นะใช่หัหยเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ที่ธรรมะ คือความถูกต้องความดีงามแล้วก็คือธรรมะของผู้ปกครองว่าทำเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่บ้านเมืองจนกระทั่งแม้แต่ประโยชน์ส่วนตันก็ต้องสละได้นี่เจตนาลมนี้มีไหมเนี่ยตรงนี้ต้องถามอันนี้คือธรรมาธิปไตยใช่ไหมธรรมาทิปไตยไม่ใช่ไปดูแค่ตัว อ, อักษร น, นี่เจตนาลมเนี่ยความที่มุ่งธรรมะเจตนาที่มุ่งธรรมะ เพื่อความจริงความถูกต้องดีงามเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนประเทศชาติทําเพื่อประเทศชาติแท้ๆมีไห้ผมถามลึกไปนิดนึงนะทีนี้ถ้าสมมติว่าผมผมเป็นนักธุรกิจอผมไม่ได้มีสถานะในทางเป็นผู้ปกครองไม่ได้มาเป็นตําแหน่งผู้บริหารเลยนะเอมันก็ดีแท็อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ขายควกก็ใช้กติการเนี่ยก็คือหลอกเลี้ยงอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยอจะถือว่าผิดธรรมด้วยหรือเปล่าครับผิด แต่ว่าหมายความว่าก็เราไม่ได้เรียกร้องจากพงมนุญพวกนี้มากนะคือเราไม่ได้ถือว่าเขาต้องถือธรรมะของผู้ปกครองประเทศเขาไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องถือธรรมะของผู้ปกครองต้องทําหน้าที่ของผู้ปกครองไปทุก <t> ว <ools> <t ools> <t ools> ่าะธรรมะมันมีนี่ธรรมะของพระภิกษุธรรมะของผู้ปกครองประเทศธรรมะของอะไรก็ว่าไปไอ้นี่เขาผู้ปกครองประเทศเขาต้องถือธรรมะของผู้ปกครองประเทศใช่ไหมเอาทีนี้ เขาเป็นผู้ปกครองประเทศแต่เขาละเลยธรรมะของผู้ปกครองประเทศและเขาจะถือผลประโยชน์แบบนักธุรกิจเพราะนักธุรกิจนี่ถือผลประโยชน์ของตัวเองเป็นใหญ่โดยที่ว่าแม้จะไม่ถูกธรรมะเอาแค่ว่ามันไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นชัดๆเขายอมเพาะกฎหมายนี่เขาก็คือยอมรับไอ้เรื่องความเป็นจริงของมนุษย์อย่างนี้คล้ายๆว่าคนก่อกฎหมายก็ยอมรับไอ้เรื่องของประโยชน์ทางธุรกิจ ซึ่งสนองความโลภของบุคคลเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์กับประเทศชาติสังคมไปด้วยบ้างก็เลยยอมให้ไงหมายความว่าคนที่ออกกฎหมายที่ฉลาดเนี่ยเขายอมให้แก่เรื่องของความโลภเรื่องกิเลสของมนุษย์อยู่บ้างเหมือนกันก็ค่อนให้เขาเขาเปิดทางให้ด้วยเมื่อทีเปิดทางให้ด้วยโดยที่ว่าเขาก็มีความเป็นธรรมเพียงในระดับเพียงมุ่งกับประโยชน์ของประเทศตัวเองไงหมายความว่าเขาไม่ได้คํานึงถึงประเทศอื่น บางทีเขามุ่งเอาเปรียบประเทศอื่นในซ้ำใช่ไหมในระหว่าประเทศเนี่ยกฎหมายอันเนี้ยให้คนของเราพ่อค้าของเราเนี่ยได้ผลประโยชน์ดีกว่าพ่อค้าต่างประเทศหรือว่าเวลาไปแข่งกันระหว่าประเทศมีโอกาสดีกว่าแล้วก็ทีนี้ไอ้พ่อค้าเนี่ย ก็มุ่งเวงว่าปฏิบัติให้มันถูกแค่กฎหมายนั้นพอและโอเคที่จริงมองว่าแม้แม้ว่าครับผมเป็นทางธุรกิจแต่ว่าไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นผู้ปกครองเนี่ยใช่ผมพยายามจะใช้จะใช้แง่มุมทางกฎหมายหลบเลี่ยงเนี่ยจริงๆก็ผมผมก็ไม่ไม่เป็นธรรมมันมันผิดถ้าถ้าถ้าผิดไประดับนึงก็ต้องรู้ว่าเอาทำมาระดับไหนมาพามว่าในแต่ละกรณีเนี่ยมันมีว่ามันเป็นสัมพัท์ด้วยครับนะว่า ประโยชน์ตนแค่ไหนในโลกาทิปตะไตยแค่ไหนธรรมาทิปตะไต้แค่ไหนทีนี้หมอว่าในในแง่ของผมที่เป็นนักธุรกิจในสังคมไม่ได้คาดหวังผมในระดับที่เท่ากับสังคมไม่ได้คาดหวังด้วยแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอนั้นด้วยเอเพราะว่ามันประกอบเป็นเมื่อตัวเองอยู่ในสถานะเป็นผู้ปกครองประเทศก็ต้องถือธรรมะของผู้ปกครองอันนั้นเป็นธรรมดาอยู่แล้วเมื่อเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ถือธรรมะขอนักธุรกิจคครรัับบ แต่มีนคนสงสัยว่านี่มันคล้ายๆตามปกต ข, ของกฎหมายคือกฎหมายมันไม่มีเพอร์เฟคมาออกมาอยนี้มันก็มีข้อบกพร่อก็เขาถึงได้มีการปรับแก้กฎหมายกัน เ, เลยอันนี้เป็นธรรมดาไม่ต้องไปพ่วงหรอก เ, เรื่องนี้แต่ว่าขอให้ผู้ออกกฎหมายเนี่ยมีใจไปทําก่อนคือไม่รู้แหละถ้าทําไม่ถูกมันกลายเป็นว่ามามุ่งหวังอำนาจเพื่อจะได้เอาไปใช้สนองประโยชน์ตน ก็นี้มันก็ผิดธรรมะของนักปกครองโดยตรงเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะในกรณีนี้เรากำลังมองธรรมะหน้าที่ของผู้ปกครอง <นะ S 1> คือทุกคนเนี่ยนะที่อยู่ในสังคมรงประชาธิปไตยก็มีความรับผิดชอบที่จะรักษาธรรมะอย่างน้อยที่เห็นแก่ประโยชน์สุขของส่วนรวมสังคมรักษาสังคมไว้เนี่ยแต่ว่าไอระดับของความรับผิดชอบธรรมะของแต่ละบุคคลเนี่ย มันก็ว่ากันไปไปตามขั้นตอนอย่างน้อยเขาก็มีธรรมะที่เขาจะต้องรับผิดชอบในฐานะเป็นราษฎรของสังคมประชาธิปไตยเราก็ต้องไปจับให้ได้ว่าไอ้ธรรมะของราษฎรที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยหรือประเทศประชาธิปไตยนะั่นคืออะไรและต้องให้ประชาชนทุกคนเนะี่ยมีอันนี้ให้ได้มีเกณฑ์การตัดสินใจเนี้ยถ้ามีธรรมะที่ปไตยนี้และอยู่เลย ก็แค่ร hmm. ัฐมนตรีเล well so like well ือกตั้งคุณตัดสินใจบนฐานคัมรธรมาธิปไตย่เท่านั้นแหละมันพลิกเลยใช่ไหมการเลือกตั้งเนี่ยหมดเลยก็นี้มาทําไม่ได้แม้แต่คัดพื้นฐานเพรฉะนั้นธรรมะทิปไตยเป็นสำคัญวงนี้นะะมันสำคัญที่เกณฑ์การตัดสินใจในการปกครองประชาธิปไตยซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เป็นรากฐานที่สุดเลยเป็นตัวแกนตัวยัน ตัวเด็ขาดเลยตัวเนี่ยเป็นการตัดสินใจในการประกอบกิจกรรมของระบบประชาธิปไตยฉันจะเพราะนั้นในการนำเสนอความคิดในครั้งนี้เนี่ยกคนเสนอในแง่ที่ให้ทุกคนมีธรรมะที่ปไตยในตัวเองใ ช, ใช่ก็ต้องแยกให้ชัดว่าธรรมะที่ปัจจยเนี่ยเป็นเรื่องของปฏิบัติการเขาตัวบุคคลแล้วก็โดยเฉพาะการตัดสินใจต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมะที่ปัตจัย แล้วคุณจะเป็นรัศดรหรือเป็นผู้ปกครองแล้วถ้าเป็นผู้ปกครองคุณต้องรับผิดชอบต่อธรรมะของนักปกครองต้องทาหน้าที่ของผู้ปกครองแล้วคุณได้ปฏิบัติตามธรรมะของผู้ปกครองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนการตัดสินใจมันต้องวัดกันเลยแล้วตอนนี้พูดถึงธรรมะของผู้ปกครองนอั่นก็จะช่วยแนะนํา ก็คือพูดง่ายๆมันก็ต้องถือประโยชน์ส่วนรวของส่วนรวมของประเทศชาติของประชาชนตอนนี้ถ้าถ้าถ้าเหตุการณ์ในตอนนี้เนี่ยผมผมจับได้2ประเด็นนะครับคือประเด็นแรกก็คือว่าการไปเชิญหน้ากันตอนนี้นะครับคือคือนักบาเก็ยืนยันไอ้ชุมนุมก็ยืนยันคือตอนนี้มันมีการไปเชิญหน้ากันอยู่อันนั้นเป็นประเด็นปัญหาประเด็นแรกนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาประเด็นที่2ก็คือการปศรษฐรูปการเงินต่อไปทีนี้ในในแง่ของการนําเสนอเนี่ย ประเด็นแรกในเรื่องของการเผชิญหน้ากันเนี่ยเราเรามีเรามีหลักหลักธรรมอย่างไรที่จะบอกว่าเอะมันปัญหามั น, มนมควรจะมีมี ม, ม, ม, ม, มีเราจะเสนอทางออกอย่างไรให้กับสังคมในในยุคที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับก็หนึ่งก็คือต้องใช้วิธีการทางปาัญญาซึ่งก็คือความเป็นธรรมและไม่มีการรุนแรงใช่ไหมอันนี้ขั้นที่หนึ่งก็เป็นขั้นพื้นฐานก่อนแหละ อ่าใช่เป็นยังไงเราไม่รุนแ อ, อ่าไม่มีการรุนแรงอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของประชาธิปไตยด้วยของธรรมะอันแรอันเดียวกันแล้วเมื่ออย่างนี้แล้วก็ใช้วิธีการทางปัญญาก็คือไปสู่การพูดจา ก, กันทําข้อมูลต่า ง, างๆให้กระจ่างชัดไม่ปกปิดข้อมูลพูดกันได้เปิดเผยแล้วอะไรพื้นความถูกต้องความเป็นจริงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ตัดสินใจบนฐานของความจริงความถูกต้องนั้น ถ้าถ้าอืมถ้าหมาเพราะว่าถ้าทั้งสองฝ่ายหันหน้าก็หาได้หันหน้าถ้าถ้าถ้าถ้าฝ่ายหนึ่งสมมติน่ยถ้าฝ่ายถ้็จะหันหน้าไม่หันหน้าก็ถือหลักการเดียวกันแล้วตอนเนี้ยอถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายนึงไม่เอาถือหลักการนี้ทําอะไรเนี้ยเราจะไปทําไงได้เราก็ต้องย้ําอันนี้เข้าไปสิหมายความว่ามเมื่อมีคนสองพวกเนี่ยเราก็ต้องย้ําอันนี้ให้เขาถือบอกถ้าคุณไม่ถือนะมันต้องเกิดเรื่องครับ คือคือมาที่ว่เราเราเรานําเสนอแนวทางก็าใครควรจะต้องมาอย่างนี้คุยกันหนึคือบนบนฐานกอนี้ะแล้วก็มาคุยกันทีนี้ถ้าเมื่อถ้าเผื่อไม่คุยมันก็กระก็ไม่ได้แต่ว่าเราเราเรามีแนวทางใช่แให้เขาแล้วว่าบางคนจะเป็นอย่างไรอะไรทำนองอย่างนั้นใช่ก็คือบอกทำถูกต้องมันเป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณจะทําให้ถูกคุณต้องทานี้ แต่คนไม่ทำก็เรื่องคุณจะมาแล้วจะเป็นมกรุมถ้าเขาจะตีกันจะไปจับมือห้ามก็ไม่ได้บอกว่าถ้าคุณจะเป็นประชาธิปไตยจริงเนี่ยถ้าคุณก็ต้องตัดสินใจบนฐานของธรรมะเป็นธรรมะที่ปไตยถูกไหมแล้วคนก็ดูหร่ออะไรเป็นหลักการอะไรเป็นความจริงความถูกต้องแล้วคุณก็พิจารณาแล้วคุณจะรู้เข้าใจนี่ได้คุณต้องมีปัญญา คุณมีปัญญาคุณก็ต้องมาชี้แจงกันคุณก็ต้องเจริญปัญญาพัฒนาปัญญาตั้งเจรจาพูดจากันเอาข้อมูลมาบอกกันใช่ไหมเมื่อไงปัญญามันจะเกิดได้ยังไงมันจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมกร <c oughs> ะบวนการมันก็เกิดขึ้นมามันก็ไม่มีควาวรุนแรงครั <c oughs> บเนอ่ยแล้วมอนก็มนุษย์ในสังคมประชาธิปไตยก็ถือหลักการเดียวกันจะถือหลักการเนี้มันก็ไปได้แล้วคือประชาธิปไตยมันเริ่มด้วยการใช้ปัญญา และอยู่บฐานของธรรมะคือปัญญาใะมันหาความจริงความถูกต้องความดีงานมันก็ไม่ใช้วิธีการเบียดเปลียนใช่ไหมต่อจากนี้ขั้นตอนมันก็กเดิดมเดมิดมเดมินหน้าไปมันเป็นกระบวนการไปอีกเองทีนี้ ไ, ง ไ, งไอประชา์ที่ปไตยมันไปถูกตัดต่อนซะก่อนใช่ไหมมันมันไปเล่นตัดตอนประชา์ที่ปไวยตายไปไม่ถึงครับเนี่ยปัญหาก็เลยเกิดเกิดขึ้นเนี่ยนี่ <laughs> ก็จะชัดตรงเนี้ยนครับ ใช่เราจะไป็เดินที่นี่อย่า ง, างประเด็นที่สองในเรื่องของการการที่จะแก้ไขหลักกติกาอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ย ใ, ในกติกาเรามีแนวคิดมีมีหลักที่จะนําเสนออย่างดัดจรรโลงไหนดีครับอก็นี่มันข้อหนึ่งก็รัฐธรรมนูญมีเพื่ออะไรใช่ไหมก็เอาละ เราจะปกครองแบบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีหลักมีกติกาที่จะยึดถือร่วมกันแต่ไอ้กติกาที่ยึดถือร่วมกันของทังคมประชาธิปไตยเนี่ยมันมุ่งเพื่อความดีงามของสังคมประโยชน์สุขของสังคมนั่นคือธรรมะใช่ไหมก็คือว่าไอ้ที่เรามีกติการ่วมกันนั่นเป็นหลักการประชาธิปไตยก็ต้องมีกติกาถือยึดถือร่วมกันแต่ไอ้สังคมประชาธิปไตยเนี่ยก็มุ่งเพื่อธรรมะเพื่อความดีงามประโยชน์สุขของส่วนรวมความสูกต้องใช่ไหม อันนี้ก็มาดูเนี่ยเราก็ต้องใช้ปัญญาและเพื่อจะดูว่าอะไรเป็นความจริงความถูกต้องไม่ใช่ตัดสินไปโดยที่ยังไม่ฐานศึกษาเรื่องหรือเอาความเห็นความรู้สึกของตัวเองไม่ศึกษาชัดเจนอันนี้ขาดมากสังคมไทยขาดการศึกษาการหาข้อมูลให้มันเพียงพอเนี่ยคือถอาเข้าที่ประชุมก็เอาความเห็นความเห็นความเห็นมีแต่ความเห็นไม่หาความรู้สังคมไทยนี่ปกพ่องที่สุดเรื่อง ชอบออกความเห็นแต่ไม่หาความรู้เนี่ยว่าไปเลยหนักมากแล้วก็เมื่อเป็นประชาธิปไตยนี่หลักการร่วมกันเนี่ยเราก็มีอันหนึ่งก็คือสมานะฉันสมานะฉัน์ไม่ได้ความหมายสามะคีสามะคีมันเป็นอีกศัพท์หนึ่งในเวลานี้ใช้สามสามนะฉันไปสับสนการคําว่าสามะคีสมานะฉันเนี่ยเป็นตัวปัจจัยอันหนึ่งของสามะคี ปัจจัยอันหนึ่งะสามัคคีความพร่อมเพรียงกันเนี่ยเกิดขึ้นมาสมาชนชันแปลว่ามีความต้องการตรงกันถ้าคนไม่มีความต้องการตรงกันนูนไปกันไม่ได้ทีนี้สังคมประชาธิปไตยก็มีความต้องการตรงกันต้องการธรรมะต้องการความจริงความถูกต้องดีงามต้องการประโยชน์สุขของสังคมต้องการอยู่รุ่นโดยสงบสุขแม้แต่ในรูปธรรมต้องการระบบที่มันให้ทุกคนมีส่วนร่วม ต้องมีสมานฉันมีไอความต้องการรวมกันเนี่ยอย่างเขาแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยไม่เห็นเขาแสดงให้เห็นว่าสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอมีความต้องการรวมกันเลยไม่เห็นออกมาเลยสมานฉันไม่เห็นปรากฏเลยใช่ไหมถ้าไประชให้สมานฉันก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายหรือกี่ฝ่ายนั้นอ่ะมันมีความต้องการรวมกันชิคชิพผมเห้น ในในโครงสร้างของ ร, รัฐมนุษปัจจุบันเนี่ยครับผ ม, ผมมองว่าจริงๆคือตโครงสร้างของ ร, รัฐมนุษปัจจุบันเนี่ยมันผมก็กันใใ้ได้คือมันมีมีการตรวจสอบอำนาจกันเนี่ยโดยโดยใช้กระบวนการในในระบบสภาเองไปคาดตรวจสอบเสร็จก็ยังมีองคอ์กรอิสระที่เขาดีาซน์ขึ้มาหมดนะเนีเ่ยแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือการ คือการใช้กฎหมายคุณทักษณิณนี่เขามาเขาเขารู้ว่าองค์กรอิสระเนี่ยมันจะเป็นองค์กรตรวจสอบที่มีกำลังแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นเขาก็ไปส่งคนก็ไปหมดเลยมันทาให้องค์กรตรวจสอบมันเป็นหมาไมหมดมันตรวจสอบอะไรก็ ไ, ไม่ได้เลยไม่ได้ทีนีผ้ผมก็จะว่าตัวโครงสร้างของกฎหมายเนี่ยมันดีอยู่ลอแต่ว่าไอ้คนใช้เนี่ยนอกจากว่าใช้ใช้วิธีการใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยทุกวิถีการที่จะทําให้ไอีองค์กรตรวจสอบอย่างนี้มันอ่อนแอลง ทีนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าจะแก้ผมก็ไม่ร้แก้ยังไงนี่ไตอนนี้มันมันอยู่ที่อยู่ยที่สำนึกของคนใช้กฎหมายซะแล้วเอาละมันมีสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือตัวคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบในกระบวนการนี้ทั้งหมดนะแต่ละคนมันไม่เป็นธรรมาธิปตย ใ, ใช่ไหมมันเริ่มต้นแต่ว่ามันคิดเจตนาไม่ดีแหละมันจะเอาองค์กรอิสระนี่มาเป็นเครื่องมือสนองเจตนา ผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่ของตัวเองใช่ไหมอันนี้หนึ่งก็ไม่เป็นมธมปฏิปไตยพวกองค์กรอิสระตอนท่านแต่ละคนก็ตัดสินใจไม่เป็นมธมปฏิปไตยทีนี้สองมันก็เป็นบทเรียนสแสดงว่าการวางกลไกที่จะป้องกันการรวบอํานาจเนี่ยยังไม่รัดกลุ่มพอก็ไปคิดเอาแล้วทีนี้ข้อหมายความว่าโครงสร้างทั่วไปนี่นับว่าดีพอสมควรในการที่ว่าให้มี กระบวนการตรวจสอบมีองค์กรอะไรต่างๆมาคานมาดุลเลยแต่ไอ้กลไกที่จะกันไม่ให้มีการมาคุมอํานาจเนี่ยยังไม่พอก็ต้องสร้างกลไกนี้ขึ้นมานี่แหละของเนี่ยที่จุดอ่อนคือหมายความว่ผู้วางรัฐธรรมนุก็ต้องยอมรับตัวเองเพราะตัวเองมองไม่ถึงบางเรื่องอคือไปไว้ใจในแง่นั้นเกิดไปอะไรเงี้ยและอย่างบางอย่างเนี่ยก็มองได้สายตาที่ตัวศึกษามาแบบตอนตก ไม่ได้มองนิสัยคนไทยแล้วก็ไม่ได้คิดทันต่ อ, อนักษณะนิสัยจิตใจที่จะเอามาใช้ในการวางกฎไกในระบบนี้เพื่อจะให้มันรับมือกันได้เลยกลายไปว่าไหวพริบปฏิพัณฑ์นิสัยคนไทยเนี่ยไปเอาผลประโยชน์จากไอ้ระบบแบบฝรั่งนี้ได้ใช่ไหม ไป exploit เลยดังนั้นก็กกแสดงว่าพวกที่จะมา คิดวางกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องพัฒนาปัญญาของตัวเองให้ดีขึ้นตอนนี้มันต้อตงข้ามเช น, นจานพูดใช่ <จะ S 2> ไหมมันต้องข้ามมาที่เชนจานพูดคือว่นักวิชาการก็หลังนี้เขาคิดว่าเขาหลังเป็นเทวดาถูกหมดจะบงังคับคนไทยนิจัยไทยวิถีีชวิตรไทยให้ใช้ตามแบบเขาแ้วก็นี่แหละในบทเรียนแล้วไเราบบคูไปไม่รอบดระบบการแบบบางล่างรัฐธรรมนูญมันเห็นชัดเลยคือสัตว์รอมันมีหลายค่ายมีค่ายจบอังกฤษจบฝรั่งเศสจบสเปนจบ ไม่การเาต้องีกันต่างคนต่างเสนอโครงสร้างกันนี้แหละเขามีอัตตาเนี่ยคือเวลาเข้ามานั่นแต่ละคนก็อัตตาที่ปไตยคือว่าไม่ไปพยองว่าตัวเองจบจากไหนก็กลัวว่าจะเสียถ้าจะรู้สึกเสียหน้าเสียหน้าแก่พวกที่จบจะโน่นจกนี้มันมีอัตตาที่ปไตยมันแรงมันเลยทําให้ทํางานไม่ได้ผลดี ถ้ามันอยู่กับปัญญาที่มุ่งธรรมาที่ปไตยจริงๆนะมันจะได้ผลเยอะคือไม่ถือตัวเรามุ่งธรรมาที่ปไตยให้ได้ผลกันเลกันเราหาปัญญาคุณจะมีคำแนะนำไงฉันฟังหมดอย่างเงี้ยถ้าคนมีถือธรรมาที่ปไตยแล้วหมดปัญหาเลยมันก็ไม่มาถือพรรคถือพวกถือกลุ่มถือหมู่ถือแหล่งถือสถาบันอะไรที่ซ้ำใช่ไหมมาเอาธรรมะเป็นหลัก พอทว่าเป็นเกณฑ์การตัดสินใจนั้นเกณฑ์การตัดสินใจขนาดนี้สําคัญที่สุดเลยตั้งแต่ชาวบ้านในการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เกณฑ์ตัดสินใจมันก็เอาผลประโยชน์ที่สะสอมาให้แหละใช่ไหบเกณฑ์การตัดสินใจในการที่จะเลือกสะ ส, ะสะคนไห น, นาน <laughs> มันไม่เป็นธรรมาธิปไตยแล้วของชาวพื้ <laughs> น <laughs> นั่นพวกนี้หัวใจของประชาธิปไตยเลยนะธรรมาริปไตเนครับเพราะว่าในที่สุด แม้แต่เป็นจั ก, กรพรรดิทำไมท่านบอกพระจั ก, กรพรรดิปกครองคนเดียวด้วซ้ําท่านบอกต้องเป็นธรรมาธิปไตเลยถ้าจั ก, กรพรรดิใช้เกณฑ์การตัดสินใจเป็นอาตาทิปไต้จบ ใ, จใช่ไหม เ, เกณฑ์การตัดสินใจของจั ก, กรพรรดิก็ต้องเป็นธรรมาริปไตแต่ละคนเนี่ยมามีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตยก็ต้องใช้ธรรมาริปไต <laughs> เป็นแกนของปัญหาที่ตัดใจมันสัมพันธ์กันที่ถ้าการบอกอย่างที่ว่าเขาใช้อุบายต่างๆเนี่ยครับอย่างทักษิณเขาพยายามใช้อุบายข้องามเปลี่ยนแค่นิยมสันคงไทยให้เป็นบริโภคนิยมให้อยู่ใต้ใต้ต้อง ก็นี่และก็เที่วมันอยู่ในนี้ทางนั้นก็ในเมื่อคนเนี่ยมันไม่มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจอย่างเนี้ดยนขาชัดน้ำมันก็ไปหมดเลยมอตอนนี้ประชาชนเนี่ยจับอะไรไม่ได้แล้วพลาหมดนล้วใช่ไหม มันมันจับหลักไม่ได้ทีนี้ว่าตามหลักการศึกษานะไอเอโยนิโซมันสิการที่จะให้เกิดธรรมาที่ปไตยมันเกิดยากเพราะทักษิณเขาไปสร้างไอสิ่งแวดล้อมให้มันเป็นตามตรงนี้หมดมันมันมันไม่มีกันเลยก็ไม่รู้แหละมันก็ดึงท่านตัดเท่าหลักไห้ที่หลักการพื้นฐานที่ง่ายๆชั้นเดียวก่อนชั้นเดียวชั้นเดียวที่ว่าคุณต้องตัดสินใจแล้วทําว่าเป็นหลักไปเป็นสาธรรมะคืออะไรพูดง่ายๆก่อนอย่าเพิ่งไปพูดลึกซึ้ง ความจริงความถูกต้องดีงามคุณตัดสินใจแล้วนี่คุณรู้ข้อมูลดีแล้วเนี่ยแล้วก็มันเป็นความถูกต้องดีงามเป็นประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่หรือเป็นประโยชน์ของคุณเองในตอนนี้นะเอออะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องชี้กันง่ายๆเลย <c oughs> บอกว่าจะไปเห็นว่าเขาเอาผลประโยชน์มาให้แล้วก็เราก็ชอบเขาอย่างนี้เป็นธรรมะเป็นธรรมราธิตย์ใจถามได้เลย อออ็อย่างกรีกรีเลอกตั้งนี่นะครับสมมติว่าในในเลิกตั้งมีสักสามสี่ 3, พักนีมันเร็วทั้งสามสี่พักนี่จะทำยังไงก็นต้อก็เอานอเนน้อยที่สุดก็เอาเรียน้อยพกมันไม่ได้จะตางกันเท่าไหร่แต่นั่นเก็มันปล่อยกันมันจะเสียหมดเลยเนี่ยก็คือต้องแก้กันใหญ่แก้กันยกนักศิลป์ทงสังคมไทยให้กลายเป็นแบบคัิลได้ยง แก่มุมต่างๆเขียนกันเยอะมากเยอทักซีนไเซชันถ้าจะมาทานโทษนี้ถึงจะขอท่าญาตสรุปสถานการณ์เพื่อจะตัดสินใจคือตอนนี้สถานการณ์มันเลยขั้นที่ว่าชื่อความจริงส่วนตัวผมเองผมไม่คิดเจอเคลื่อนไหตอนนี้แต่มันมีมีมีพะแรือมีคนคนหนึ่งซึ่งเคยร่วมงานกันต้องมาบอกผมอย่างนี้บอกว่า ชาพูดคนจะแสดงความเห็นหรือคนเข้าไปมีบทบาทเพราะว่าเราตป้าหมายทียาวของชาพูดแล้วก็คือปฏิรูปการเมืองครั้งที่สองเนี่ยต้องให้เป็นเป็นโลกอย่างแท้จริงปฏิรูปรให้ทั้งระบอบประชาธิปไตยมีคุณสมบัติของธรรมาธิปไตยให้ได้เพื่อนุนที่ที่ผมเสนอไปเ้าบอกถ้าอย่างนั้นคุณต้องไม่ต่อขอบวนคือมันมันเขาแสดงความเห็นเราต้องแสดงความเห็นนี้จะแสดงยังไงที่ให้เห็นว่าเราก็มีส่วนแต่ตอนนี้อย่างที่ว่าท่านจัน แต่นกการมันสุกงอมเลยขั้นนั้นไปหมดต่างคนต่างใช้อุบายอุบายเอาชนะ ก, กันเพราะนั้นผมว่าถ้าการผุระตลบเราออกไปเนี่ยมันต้องโดนมองไม่แงใดแงหนึ่งที่ใจผมเองผมว่าอยากจะให้มัน แน่นอนข่อว่าไปทางไหนคือใจจริงผมอยากจะท้าทายตรงที่ว่าถ้าเกิดปฏิรูปการเมืองเพียงเนี่ยเลิกเกาะตวันตกทั้งหมดไม่ต้องไปคิดในเกอบรัฐศาสตร์ตะวันตกเลยคิดของเราให้ดีที่สุดว่าถ้าจะคือถ้าถ้าความเห็นของผมคิดว่าเรื่องหลักการทิปฏไตสามเนี่ยเราสามารถจะประยุกต์เรื่องธรรมมาทิปไตยมายกระดับประชาธิปไตเนี่ย คือตัวโครงสร้างเองก็ทําได้ครับให้ตัวโครงสร้างให้กลไกเนี่ยออกแบบมันมันสับเนี่ยมันจะสับสนแล้วค น, ะนจะขับมาเรือแล้วคนจะยุ่งเขามากลายเป็นว่ามันพูดไปพูดไปมันเหมือนกับมีระบบหนึ่งเรียกว่าธรรมาปไตยแล้วจะปรับประชาปไตยให้เป็นอย่ังไบก็ยิ่งยุ่งใหญ่เลยแล้วเขาจะถามว่าจริงๆแต่ระบบธรรมาปไตยมันเป็นยังไงนะ <c oughs> อันนี้เลยยุ่งแอละการที่ผมยังไม่อยากก็มันจะได้มันไม่มีระบบธรรมาธิปไตยมันไม่มีการปกครองคณะสงฆ์มันก็ไม่มีชื่ออย่างนี้ไม่ไม่ได้ระบอบโอ้ม่นเคยเขียนระบอบก็ไม่ใช่จากวิธีพูดเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะไปปรับระบบประชาธิปไตยให้เป็นระบบธรรมาธิปไตยยกระดับขึ้นมาสูง ขั้ที่มีคุณสมบัติธรรมารถปไตยทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในประชาธไตยม่ชัดอ่ะไม่ใประชาธิปไตยนั่นก็ให้เป็นประชาธิปไตยที่มันถูกต้องมันก็เป็นประชาธิปไตยที่เป็นธรรมเท่านั้นเองประชาธิปไตยที่เป็นธรรมนะธรรมารถปไตยก็ต้องเป็นธรรมาริปไตยที่เป็นแกงของประชาธิปไตยนั่นแหละก็คือคุณต้องตัดสินใจด้วยธรรมารถปฏยไม่ได้เยอะนะเพราะประชาธิปไตยไม่ว่ากิจกรรมไหนเนี่ย มันต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นคใช่ถูกไหมการตัดสินใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในเรื่องของระบบการปกครองครับก็การตัดสินใจด้วยธรรมะที่ปัจจัยเปรียบเทียบอันเนี้ยนี่เนี่ยคือแกนเลยครับคนต้องตัดสินใจทุกกิจกรรมด้วยธรรมะที่ปัจจัยอ่าก็เท่านั้นหละอ่าก็ในการทํำทุกอย่างมันต้องมีการตัดสินใจทั้งสิ้นอ แนวคิมธรามะนี้เข้าใจก็คือคือมันให้คนเป็นคนที่มีธรรมะที่ประกยมีเกณฑ์ธรรมะใช้เกณธรรมะที่ปรตยในการตัดสินใจแต่ทีนี้มันในกลไกต่างๆทัหลายตามเกาความคิดของตะวันตกแล้วก็เอาอันนั้นเราใช้ศั์แยกไปเลยอย่าไปยุ่งัอย่าไปปนอย่าไปปนที่าเอาทับรรพธรรมะที่ปไตยไปใช้อีกเสรรพธรรมะที่ปรตยไม่ต้องไปปน แล้มันจะทําให้สับสนกับประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นระบบการปกครองอันหนึ่งที่ในเมื่อตกลงว่าประเทศไทยจะเอาเราก็ต้องชัดว่าประชาธิปไตยเราจะเอาระบบแบบไหนแล้วมันเป็นยังไงแล้วให้ประชาธิปไตยนี้เป็นธรรมนี่ใช่ถ้าเนี่ยประชาธิปไตยที่ทำแบบคนไข้เนี่ยมัน พัฒนา ม, มามันมีปวดติศาสตร์ความเป็นมาของมันซึ <reputation ges uckles> right like ่งของเราถูกครอบด้วยความคิดตัวนั่นสินี่แหละก็นี่แหละที่เราปฏิวัติที่ว่าเราไม่ไปทำก็เพราะประชาที่ประอาทที่เป็นทแต่ถ้าอาจารย์ได้ถ้าอาจารย์เสนอแนวคิดว่าให้ล้มของตะวันตกหมดไม่ใช่ล้มไม่เอามาเนี่ยมันก็จบหมดคือผมคิดว่าไอการที่เขาไปเรียนตะวันอกมาเนี่ยแล้วก็เอามาเป็นเอาเป็นเป็นแนวคิดเอาเปมันไม่ผิดแต่เดียว่ามันโดนข้อบเนย ไม่ใช่ไม่คิดต่อว่าไม่ใช่ได้ไงใช่ไหมใช่ใช่อันนั้นเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไงแต่แต่การที่เขามีประสบการณ์เขาไปเรียนเขาหลังเส็จไปเรียนอเมริกาไปเรียนอังกฤษมาแล้วก็เอาวิธีการพวกนั้นเนี่ยเอามาเป็นตุ๊กตาเอามาเป็นแบบเนี่ยผมว่าไม่ผิดเพียงแต่ว่าจะมาปรับยงไงหรจะมาปรับยังไรให้เหมาะสมกับสภาพของเรากันนี่แหละก็คือลงสรุปด้วยครับว่าให้ประชาธิปไตยที่นํามาใช้นี่มันเป็นทํา ถถ้้นนีีตรงนี้คือตรงนี้้แลาจะเอาแบบไหนครับรู้ละคุณจะเอามาใดให้มันเป็นธรรมที่มันไปอยู่แค่นี้แหละแค่นี้แหละต่อประชาธิปไตยที่จัดกันอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่ไปทําครับไม่เคยไปสร้างหรอกทมาทิ่ไครขึ้นและงงใช่ธรรมชาติใหญ่ครับคือไป็นเรื่องธรรมชาติไปเลยแม้แม้จะเป็นประเด็นการแต่ถ้าเขาตัดสินใจด้วยธรรมชาติปไตยก็ดีถูกไหมครับถ้าถ้าแล้วถ้า ต่ปัญเสบอย่างนี้ก็คือมันมันอยู่ที่ระบบมันอยู่ที่การตัดสินใจนี่มันมันเป็นข้อตกลงเปขั้นๆั้นคือไอ้ระบบเธนการมันก็เป็นธรรมาธิปไตยได้ตาธิปไตยได้โลกาธิปไตยได้คณะธิปไตยก็เช่นเดียวกันประชาธิปไตยก็เช่นเดียวกันแต่ตกลงว่าตอนนี้ระบบเราเอาประชาธิปไตยครับเมื่อเราเอาระบบประชาธิปไตยทุกคนมีส่วนร่วมไอ้ทุกคนนั้นต้องเป็นธรรมาธิปไตย เขาตัดสินใจได้ธรรมาทิพย์ปไต่ชัดเจนมาเข้าใจน ะ, ะไม่หลงแล้วไม่หลงปเดแล้วมันจะแยกกันชัดไปเลยครับไม่ต้องมาสับสนกันอีกก็คือไม่ต้องเอาสับว่าธรรมาทิพยปไตยไปไปปนกับประชาธิปไตยในเกาหลีนะบอกคุณจัดประชาธิปไตยเขาคุณให้เป็นธรรมแต่ตอนี้ประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วคุณจะยกตัวอย่าง เช่นว่าไปติดความคิดของตะวันตกมาเฉยๆโดยที่ไม่ได้รู้จริงเราไม่ได้ว่าแนวของตะวันตกตะวันตกนั่นก็มีดีเยอะแยะขขอองเาบกและที่ดีนั้นบางอย่างก็มาใช้ได้บางอย่างก็ไม่เข้ากับสุภาพแวดล้อมของเรา <c oughs> มันเหมาะกับของเขาแล้วก็ว่าไปนี้เป็นส่วนของการอธิบายรายละเอียดครับ <c oughs> แต่ว่ายังไงก็ตามเมื่อมันจัดลงตัวแล้วก็คือมันเป็นธรรม นความเห็นผมเดิมก็คือคิดว่าอย่างที่ว่าท่านจากยความรู้ยังไม่ชัดคือผมอยากนจะมีคณะทํางานซึ่งก็อันนี้ไม่เป็นไรนี่เป็นรายละเอียดอันนี้เป็นเรื่องปฏิบัติการเราค่อยเผยแพร่ไปใจจริงผมผมไม่อยากเผยแพร่ตอนนี้แต่การเราที่ดูว่ามันเราก็ไม่รู้จะเข้าไปแทรกคือมันว่าได้เป็นขั้นตอนไอ้แนงไอแงของลมลึกละเอียดอันนี้ก็ว่าไปขั้นหนึ่งแต่ในแง่ของ พูดรวมตอนนี้เราตัดสินใจเราพูดได้ว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นธรรม เราพูดได้ไหมได้เออพูดได้ตอนนี้นําเสนอคิดว่ามันเสี่ยงมันไม่คงกับคนที่จะได้คือเรานําเสนออในสมมติว่าถ้าพูดในแน่ในสีทธิสภาคองบาลทุกอย่าในประเทศไทยก็ไม่ใช่มันมองผัว่ามันเห็นอยู่เมันเห็นชัดชัดอยู่น้ะปัญหยก่อนนี้ต้องยกยกปัญหาขึ้นมาก่อนก็ได้เชี่ยเห็นว่า อย่างนี้จึงบอกว่าประชาธิปไตยนี้ไม่ถูมันมันควรจะแยกไปตอนนี้ให้ครัดสถานการณ์ตอนนี้เขาไม่ได้สนใจเรื่องปฏิรูปการเมืองมันยังไม่ถึงขั้นที่จะไม่ใช่เราพบปัญหาผมมองเป็ตอนขัดแย้งนะครับไม่เรคือสภาพบ้านเมืองแค่ที่มีจะเป็นรัฐบาลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันทําอะไรจะต่างเนี่ยเราเป็นเป็นตัวปัญหาบอกข้างหนใช่ไหมที่เราเสนอเต้องจำปากอยู่ไม่ปากเราประเด็นเดีกันอย่างนี้ท่านท่าอาจารย์ผมเห็นว่า ตอนเนี้เราเราไม่ควรมีแอคชั่นอะไรดูเข้าไปก่อนดีกว่าเพราะว่าทุกฝ่ายที่ควรจะทำํำเขาก็ทําของเขาไปแล้วแล้วเราอาจจะพูดเริ่มไว้ก่อนแต่ว่าต้องเป็นคําพูดที่ชัดจะแจ้งลงไป hmm. เราเอาสรับสมร่างเขาก็ได้เราไม่จําเป็นต้องไปพูดเองก็ hmm. คือที่เขาพูดกันอยู่ที่เขาว่ากันอยู่เนี้ก็คือประชาธิษฎตยมันไม่ไปทำบอกพวกคุณเนี่ย ว่ากันอยู่นี่คุณยอมรับแล้วว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่เนี่ยไม่เป็นธรรมจริงไหมถ้า ค, คุณพูดกันอยู่เนี่ยจะทําทมันก็ไม่เกิดปัญหาเขาพูดเนี่ยใช่ได้ <laughs> เนี่ย <laughs> เราเรบบาบอกว่าพวก <laughs> ที่มาพูดกันอยู่เนี่ยพากันปราลบเรื่องปัญหาประชาธิปไตยไม่เป็นธรรมแล้วคุณคิดว่าจะทําไงให้เป็นธรรมเออครวามคุ้มครับตีกลับไปเลยครับ ผมว่าถ้าเอาตรงนี้จุดนี้ไปเนี่ยว่าถ้าถ้าเกิดประชาธิปไตตั้งอยู่รูบเป็นธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาแล้วส่วนส่วนเขาจะคุณตกบอย่างไงก็ฟังไม่ฟังเป็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ต้อสมมติว่าเราเตือนเราเตือนเขาแล้วว่าแนวทางมันควรจะเดินอย่างนี้นะที่ดีที่สุดนะ แต่ไม่มีใครฟังเราเลยวันหลังเมื่อมันมันมีปัญหาเนี่เราบอกบอกเข้าได้ว่าเราบอกไปแล้วนะพวกคุณต้องเดินที่นี่คุณไม่เชื่อมันก็เลยเกิดปัญหาอย่างนี้อเราพูดเวทีดีก่อนได้ไม่ใช่มาพูดทีหลังเฮ้ยนี่มันไมาพูดโมเม่แต่เราแต่เราเตือนคุณแล้ววันนี้เราเตือนคุณแล้วแต่คุณไม่มีใครเชื่อเลยเไม่มีใครฟังเราเราพูดไปก่อนแล้วแตปัญหาคือต้องต้องให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยแนวทางเนี่ยต้องให้เป็นธรรมอย่างที่อย่างที่ท่านบอกสิ่งที่เราพูดต้องถูกต้อง แนวฟังที่ถูกต้องใช่ฟังไม่ฟังไม่เรามังคับก็ไม่ได้ไม่เป็นไรเขาเขาคิดว่าเราฝ่ายไหนไม่็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วเราพูดคือมาโดยเราจับเอาสิท่งที่เขาว่าเนี่ยเราไม่ได้ว่าเองครับพวกคุณกำลังพูดถึงประชาธิปไตยสรุปแล้วก็คือคุณพูดว่าประชาธิปไตยที่เป็นอยู่นี่มันไม่เป็นธรรมครับจริงไหมกันเนี่ยหอนแล้วทําไมมันไม่เป็นธรรม เพราะว่าวันนี้เขาประ <c oughs> ชุมกันเดี๋ยวเย็ยนนี้ถ้าเกิดตอะรับได้เนี่ยเขาเปลี่ยนแผนว่าแทนที่ไ่ า, ายค้านจะไปขอการเลือกตั้งว่าจะจับสี่พักใหญ่มาลงสตัตยาบันเคื <c oughs> ออาไทยรัฐไทยมาร่วงลงสตัตยาบันกับ <c oughs> ประชาธิปัตย์มหาชนกับชาติไทยว่าจะปฏิรูปการเมือง <c oughs> เกิดประเด็นว่าประชาธิปไตยไม่ถึนงนธรรมหรือว่ า, างงนักการเมนองที่ต้องแก้เนี่ยมัน ใส่พากพูดมานานรลล<ะ>ัฐบาลไม่ยอมไม่เพิมายอมว่าจะให้ปฏิรูป ก, การเมืองให้แก้แล้วถ้าได้มาเรื่องของข่าวพูดก<ม>็<ม>จะจะรำสรุปได้เลยมัน่ไม่ใช่ประเด็นหลักแน่แท้ถ้าไม่ใช่นี่เราสรุปให้เขาคือเขาพูดกันเนี่ยแต่เขาสรุปไม่ได้มันไม่ตั้งเป็นประเด็นชัดออกมาแต่มันต้องอีกขั้นตอนไม่ใช่เราพูดได้เขาเห็นว่าที่คุณพูดกันทั้งหมดเนี่ยคือพูดว่าประชาธิปไตยมันไม่เป็นธรรม อาจารย์อาจารยคิดว่าตอนนี้ปัญหาต้อเกิดที่ไหนผมผมอยู่มันเกิดมานานแล้วไม่ใช่เกิดตอนนี้แล้ก็มันแรงคือมันมันอยู่ข้ากลางกระแสซึ่งซึ่งความรู้สึกตอนนี้ก็อย่างที่เขาพูดเนี่ยท่านอาจารย์เขาก็ไล่ธรรมรากอย่างเดียวว่าตอนข่านมันจะไปยังไงแล้วถ้าถ้าเราก็น้านสิก็สรุปไปตอนนี้าไไปตอนนี้ผมว่ามันมันไม่คุ้มถ้าตามเห็นผมไม่ใช่มันอยู่ที่เราจะปฏิบัติแค่ไหนเราจะพูดแค่ไหนอยู่ยังไงนี้มัน มใช่อยู่ที่ระบบนะมันอยู่ที่ตัวบุคคลว่าฝ่ายที่จะไล่กับฝ่ายที่พยายามจะอยู่จะช่างเป็นเรื่องเข้าไง นี่เราพูดลับากเราไม่ได้พูดถบุคคลเราไม่ไปพูดเรื่องใครสใจเถ้าเป็นอย่างนี้ได้นะอาจารย์ช่วงนี้เรายังไม่เคลื่อนไหวไม่ได้รกันเคลื่อนไม่ได้เราจบกวนไงก็จบแล้วไปเคลืนไหวอะไรไม่เคลื่อนหวอะเาป็นัตยานบันเสรันอะไรเกศนั้เราม่เคลื่อนไหวได้ปีอ่ไเราไม่ได้เคลื่อนไหวไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวไปถกกันในสกานี่ฟังก่อนไปไปปฏิรูปกนี่ฟังก่อนไปมาพบท่านจ้คุณน คือเราไม่ต้องไปเยอะมากแค่นี้พอละไม่ต้องไปพูนมากเราพูดนิดเดียวแต่ถ้าคำนี่มันตรงเรื่องนะมันหนักะแล้วทิ้งไปเลยกิมาเลยพูดทิ้งไปแล้วเราไม่ต้องไปทําอะไรมากแล้วตังค์ไม่ตังก็มีเวินสนใจเนี่ยเต่อไปเราคุณขึ้นมาใหม่ได้ใช่ใช่ที่ก็ทำไปแับที่จะทําก็อาจจะออกเป็นแถลงการ ยๆกแล้วแต่เอานิดเดียวให้มาแบกทางอมแล้วแทางไปที่เป็นที่เองบ้างออมันเข้มเลยเดี๋ยวไม่ได้ทำงานเลยมาัได้ทังงีานนี้คุยกันเองอท่านห้มาแค่นี้สมบูรณ์มากแล้วเดี๋ยวผพือสรุปขั้นตอนนี้นะถวายท่านแซนินึงครพอคือตอนนี้ข้าวที่คิดดูท่าสิ่งมัจะอยู่ยแต่ก็จะไปโดยวิธีไหนเวลาเร็วหรือไม่เร็วแต่คิดว่ารุนแรงที่อไม่ คงจะแรงแน่เพราะว่าฝ่ายกระบวนที่จะไล่เนี่ยมันมันหลายฝ่ายแค่ๆ <Ừ. S 1> ก็ได้โอกาสทุกฝ่ายที่ไม่ชอบ <Ừ. S 1> ฝ่ายที่กล <Ừ. S 1> ุ่มชนที่เสียประโยชน์ฝ่ายพักการเมืองที่เสียประโยชน์แล้วฝ่ายพวกนักวิชาการซึ่ง <Ừ. S 1> ซึงเป็นกลางแล้วนักวิชาการพวกนี้ส่วนหนึ่งเคยทํางานให้ทักสิณรูออ้ตื้นตึกหนาบางอางจารย์แช่นันมาเขีย น, นมีน้ําหนักมากเราะอาจารย์แช่นันเคยเป็นประธานการบินไทยเคยเป็นประธ า, า, านการไฟฟ้าฝ่ายพลเรือนอาจารย์แช่นันก็รูบข้อมูลหรือก็บอกว่ า, ว า, าการเลื่อนตั้งที่ผ่านมาบัตรเลื่อนตั้งเปนทีหลายชุดเปลี่ยนยกชุดแล้วก็มีที่ชอบฉนอนาจารย์เขาบัดสรุปว่าตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรมาอแต่พอทักสิณเริ่มอีกขั้นหนึ่งก็คือว่า เริ่มที่จะเอาต่างชาติเข้ามาครอบงำประเทศไทยซึ่งอาจารย์ก็ทนไม่ได้อย่างเช่นไปบังคับการยินไทยเนี่ยครับเปิดให้แอฟริกาหลายเส้นทางแล้วเอเชียก็นายกเข้าไปถือหุ้นใหญ่อยู่ในนั้นโลของกลุมทุนสิงคโปร์แล้วเวลาไปเจรจาทํา FTA กับประเทศไหนก็ได้สิทธิพิเศษกระทบคมมาคมอย่ากับประเทศออสเตรเลียอะไรเนี่ยแต่ว่าทําลายละขาอย่างไปเจรจาเอสทีเอกับออสเตรเลียเนี่ยเลี้ยงวัว นงวัวต้องเททิ้งเลยเพราะมันถูกที่ออสเตรเลียขณะเอามาตั้งไกลเป็นหมื่นกิโลแลยยงแพงกว่าแต่อันนี้ก็เป็นรายละเอียดให้เห็นถึงความไม่ซื่อตรงไม่อยู่ในธรรม ะ, อะของนักปกครองอไปมุ่งมีผลประโยชน์สุดตัวแต่ทีนี้ว่าไอ้ตอนนี้ก็คือรวมความมันก็อย่างเงี้ยกันเราก็จิกใช้คำว่าประชาธิปไตยนี่มันไม่เป็นธรรมตอนเนี้ยมันก็คือต้องให้คนพวกเนี้จับประเด็นให้ได้นะพวกที่ มายุ่งกันอยู่เนี่ยบางทียังจับประเด็นไม่ถูกเลยก็บางทีก็แค่ว่าจะเอาชนะกันไอ้ฝ่ายหนึ่งก็จะไล่ทักสินออกไปได้อะไรเงี้ยหนึ่งก็คือว่าเรามองกว้างระยะยาวเนี่ยอ้าวนี่เขาว่ากันไปสมมติว่าเราไม่เกี่ยวคุณได้งานกันไปแล้วไอ้ถ้าสมมติว่าทักสินออกไปจริงเนี่ยแล้วตอนนี้มีหลักประกันอะไรไหมที่จะให้อย่างน้อยให้สติว่า ให้คนที่จะมาแทนทักษิณมีอำนาจใหม่เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้อีก<ฮ>ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเราเราคิดถึงระดับนี้มากกว่าที่จะมายุ่งกับไอ้สองฝ่ายทะเลาะ ก, กันถนนเรามองระยะยาวกว่า น, นั้นที่ว่าเวลานี้ทักษิณเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่างน้อยกลุ่มหนึ่งก็ว่าไม่ดีไม่ได้เรื่องแล้วลไอ้พวกที่จะมาไล่ทักษิณเนี่ยแล้วต่อไปพวกที่มาแทนเนี่ยแล้วมี หลักประกันอะไรว่าจะมันจะไม่เป็นอย่างทักษิณอีกอ้าวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราเราต้องทําการขนาดนั้นนะต้องต้องให้สังคมเนี่ยมีทางไปที่ถูกที่มันจะได้ผลไปเป็นระยะยาวเป็นประชาธิปไตยที่มีประโยชน์จริงจริอันนี้เนี่ค่ะขั้นที่สองที่ก็นี่ น, นี่นี่เราต้องพูดไว้ก่อน ใ, ให้สติเขาไง ใ, ให้สติว่าคุณเนี่ยยุ่งอยู่กับแค่เนี้ยใช่เรื่องที่มันสาคัญนะคุณอย่าคิดแค่นี้ไม่ได้ ใช่ไหมต้องให้เขารู้ว่าเขาจะคิดอยู่แค่นี้ไม่ได้ เ, เพราะว่าบทเรียนมันมีอยู่แล้วมันก็หมุนเวียนวงจรกันอยู่แค่เนี้ยบอกคุณคุณทําแล้วคุณหมุนอยู่แค่นี้หรือ เ, อเห็นว่าหมุนมาหลายรอบแล้ววงจรเนี้ยกี่รอบแล้วใช่ไหมแน่ ๆ, ๆต้องเตือนเขาแล้วนี่คือเรามองก้างกับเขานี่คือเรามีจุดเด็ดกว่าเขาแล้วถ้าเราไปยุ่งอยู่กับเขาเนี่ยเราก็ไม่มีอะไรพิเศษ เราต้องมองกว้างกว่าเขาแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยไอ้เรื่องประชาธิป Curt, ไตยเรื่องการปกครองเนี่ยเราจะเห็นว่าคำสำคัญคือคำว่าอำ น, นาจตัดสินใจเพราะฉะนั้นธรรมาธิปไตยทำไมมันสำคัญเพราะว่าการปกครองเนี่ยเขาใช้คำว่าอำ น, นาจตัดสินใจเมือ่อเป็นประชาธิปไตยเขาจึงบอกว่าอำนาจตัดสินใจมันอยู่ที่ประชาชนเมื่ออำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชนก็ต้องให้ประชาชนตัดสินใจอย่างถูกต้อง แล้วจึงต้องมีธรรมาธิปไตยนี่แหละเพราะไอ้อำนาจตัดสินใจนี่เป็นหัวใจของระบบการปกครองนั้นใครมีอำนาจตัดสินใจนั่นคือตัวกรรมระบบการปกครองนั้นถ้าหากว่าเป็นระบบเผด็จการก็คือผู้เผด็จการผู้นำเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นาณะทิปไตยก็คือหมู่คณะนั้นเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจถ้าเป็นประชาธิปไตยก็คือประชาชนมีอำนาจตัดสินใจ ใครมีอำนาจตัดสินใจก็ต้องให้ตัดสินใจบนฐานของธรรมาทิฏอันี่แหละ ค, คือหัวใจเลยนะอย่าไปนึกว่าไม่สงคัญเพราะอำนาจตัดสินใจคือหัวใจของการปกครองใครมีอำนาจตัดสินใจคนนั้นต้องตัดสินใจด้วยธรรมาธิฏฐินี่เราสเสนอคำธรรมะธิไตยมาตรงนี้ได้ก็ใช่สิให้เห็นจุดให้คนชัด ไม่ได้พูดค่าเป็นหมดไม่รู้จะมาที่ประเทศไตยเป็นอะไรมันไปปะกลไกการปกครองระบบระบบวุบบ่วายไปหมด <c oughs> เวลาเนี้ยว่ากันโดนเลี้ยงพีส่สรุปยอดๆท่านอาจารย์ไอ้ขั้นตอนที่จะมา <c oughs> ปฏิรูปการเมืองจริงจังเพื่อไปสู่ประชาธิปไตย <c oughs> ที่เป็นธรรมอย่างที่ท่านอาจารย์ว่าให้คนมีธรรมะที่ปไตยในการตัดสินใจเป็นเกณฑ์เนี่ยมันมันสามารถทํากลใจได้ซึ่ง เอามาประยุกต์ได้ก็คือไอ้ ไ, อไอ้นั่นด้าน ส, <อ>ส<อ>ด้านมาต้องมาบบประชกกันกหนึ่งด้านการวางระบบหรือจัดตั้งวางระบบเ<ช>นี่ยต้องจัดคนไกอะไรต่างๆที่มันจะให้มั่นใจที่สุด<ช>ว่าการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นไปได้ถาธิปี่ส<ช>ุดตายนะ<ช>ไม่มีการที่มาครอบงำหรืออะไรเป็นต้น<ช>มีการส่งดุลถึงไปไอ้นี่เป็นการจัดวางระบบฝ่ายลูกค้าสองตัวคน เนี่ยนี่คือการศึกษาที่จะให้แต่ละคนเนี่ยคือมีคุณภาพนั่นเองที่จะใช้เจตนานหรือมีเจตจำนงที่ถูกต้องที่จะตัดสินใจโดยเอาธรรมะเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ธรรมอธิปไตยในการตัดสินใจถ้าเราไม่ให้การศึกษาไม่พัฒนามนุษย์มันก็ไปตัดสินด้วยทางอัตาตาธิปไตยและโลกาทิปไตยถ้ามันไม่มีความรู้ไม่มีปัญญามันก็งอนเงันคนแข้ไปตามเสียงกระแส เป็นโลกาที่เปิดใจหรือมะงั้นมันก็เอาผลประโยชน์ของชันเป็นใหญ่ <c oughs> เป็นอน้าตาที่เปิดใ <c oughs> ถ้ามันมีการศึกษาแล้วมันมีคุณภาพ <c oughs> ก็คือปัญญาก็เจตนาที่ยํำอยู่บ่อยๆหนึ่งมันต้องมีปัญญาดีรู้เข้าใจอะไรถูกต้องอะไรเป็นความจริงถูกต้องดีงนะสองเจตนามันต้องดี <c oughs> ถ้าเจตนามันสวมรับ่าดีแล้วมันมีปัญญาด้วยก็ตัดสินใจได้ผล ถ้ามันมีปัญญาแต่เจตนามันไม่ดีก็เสร็จมันไม่เข้าปัญญาไม่ใช้ไม่อยู่หนักก็ไม่ใช่ทีนี้ถ้าเจตนามันดีแต่ปัญญามันไม่มีก็จบเหมือนกันใช่ไหมมันไปไม่รอดอันีนี่ยจุดบรรจบของระบบการปกครองคำว่าความจริงความูต้องดีงามที่เป็นหลักทั่วไปอันหนึ่งแล้วการพิสูจน์เจตนาของผู้ ที่ใช้อำ น, นาจตัดสินใจเนี่ยที่สู่เจตนาเขาว่าเขามีเจตนาที่เป็นธรรมะรู้รับเรื่องนี้เรื่องใหญ่เลยประชาชนไม่ค่อยมองที่ตัวเจตนาแต่ไปมองที่อะไรที่ตัวจะได้ใช่นโยบายประชานชนอย่างน้อยก็ต้องมองสองอันเขาให้อะไรแก่เราเขาให้เพื่ออะไรก็ต้องมองด้วยเขามุ่งดีเพื่อประโยชน์ ในฐานะที่เราเป็นคนจนมาช่ว ย, ยุกฐานะหรือว่าเขามุ่งอะไรอะไรเนี้ยมันก็ต้องศึกษาคือเป็นเรื่องของคนในสมมประชาธิปไตยนี่จะต้องใช้ปัญญาใช่ไหมเมือ่องนันมันก็ไม่สามารถใช้อํานาจตัดสินใจได้ถูกต้องก็ตึงถูกต้องพัฒนาคุณภาพประชาชนนะเพื่อให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอํานาจในการตัดสินใจนี้มีการตัดสินใจด้วยปัญญาโดยใช้เจตนาที่ไปทำ แล้วกองเนี้ยคือธรรมาทิตย์ใจตอนเนี้ยไปมองว่าคนเราธรรมาทิตย์จประชาธิปไตยปนกันพุ่นหมด <c oughs> นี่คงจะรบกวนท่านมากแนละ้ม <c oughs> ีอะไรหมแค่สามแคได้ไหสองชั่วโมงแล้วนะรบกนไมาสองชั่วโมยงยาวเหมือนกันนะ <c oughs> โอถึงสองชั่วโมงเพลียเ <c oughs> วลาเพลียจะมาต้องตะเบนพูดรชายสเลย ให้ความสว่างมากขึก้นเอาโมทนดาถ้าใช้ประโยชน์ได้ก็โ<ด>มทันดาใช้ประโยชน์มากถ้าตั้งกัทํางานได้ต่อมาสกัดมาลดควันได้สองกิโล ไ, <ม> <laughs> ไม่เป็นไรว่าต่อไป <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรเรื่องประชาธิปไตยธรรมารถิปไตยคือเด็กเนีกจะร่างมาเป็นแถลงการณเลยนะสาระสำคัญก็คือจะยกระดับประชาธิปไตยให้เป็นธรรมารถิปไตย กเลยบอกต้องพูดกันให้มันชัดความหมายของธรรมาทิพยไตยมันอะไรกันแน่ว่ากันจนก็ะทั้งคุมเครือไปหมดเลยแล้วก็พอเขาเอาเขาจริงๆมันก็ไม่เด็ดขาดลงไปไม่จัดแจ้งมันก็กลายเป็นเพอ้อฝันคือไปพูดเหมือนกับว่ามันมีระบบการปกครองที่เรียกว่าธรรมาทิพยไ์ไตในตลนนี้เราเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นแค่ประชาธิปไตย จะต้องก้าวไปเป็นธรรมปธิปไต่คล้ายๆอย่างนั้นเน่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมองกันแบบนั้นพวกที่พูดถึงธรรมปฏิปไตยความจริงธรรมาธิปไตยมันไม่ใช่ระบบการปกครองมันเป็นคุณธรรมในตัวคนก็เลยบอกเนี่ยพระสงฆ์สถาบันที่พระเจ้าตั้งขึ้นเองก็ไม่มีการปกครองที่เรียกว่าธรรมาธิปไตย คำว่าธรรมชาติปไตยไม่ได้เป็นการปกครองที่ไหนเท่งนั้นแม้แต่ในคณะสงฆ์มันเป็นคุ ณ, คณธรรมนในตัวบุคคลทีนี้มันเกิดมามีชื่อคล้ายกับไอ้คำใหม่ที่เขาตั้งเขาตั้งคำใหม่ขึ้นมาว่าประชาธิปไตยทีนี้ไอ้คำว่าประชาธิปไตยมาเป็นระบบระบบการปกครองมันก็มีเรื่องของการจัดตั้งวางระบบกระบวนการขั้นตอนระเบียบวิธีอะไรขึ้นมา ซึ่งไอ้อันเนี้ยมันไม่มีหรอกในธรรมาธิปตัตติดนะังนั้นคุณจะไปบอกให้ประชาธทปไตยไปเป็นธรรมาธิปไตยเนี่ย mm hmm. มันมองไม่ชัดและถ้าคนเข้าใจผิดเป็นว่าธรรมาธิปไตยเป็นระบบเป็นระบบอะไรมันก็เลยยุ่งเลยต้องให้ชัดว่าไอ้ปราชาธิปไตยเป็นระบกกบการปกครองแล้วก็ไปเทียบกับระบบเผด็จการสมบูรณา ญ, ญาสิจิราชตนาขณที่ปไตยิอะไรก็ว่าไปทีนี้ ไอ้ตัวธรรมาทิปไตยเนี่ยมันสำคัญที่ตัวนี้ตัวการตัดสินใจคือในระบบการปกครอง ท, ทุกระบอบเนี่ยมันมีสิ่งสำคัญคืออำนาจตัดสินใจตัวนี้เป็นตัวเด็ดขาดถ้าเรามองการปกครอง ท, ทั้งหลายระบอบต่างๆเนี่ยในที่สุดมันอยู่ที่อำนาจตัดสินใจว่าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่ไหนนั่นคือระบบการปกครองนะั้น ใช่ไหมแล้วบอกด็กการก็คืออำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลเดียวนั้นแล้วบอกการปกครองแบบไหนก็ดูที่อำนาจตัดสินใจถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่บุคคลนั้นผู้เดียวก็เป็นผด d e การถ้าอำนาจตัดสินใจอยู่ที่คณะบุคคลนั้นก็เป็นคณาที่กดไตและตอนนี้เขาให้อำนาจตัดสินใจอยู่ที่ประชาชน ก็เลยเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมทีนี้ก็ตอนนี้เราก็มีระบบประชาธิปไตยที่มีตัวแทนประชาชนก็มอบอำนาจตัดสินใจนี่ให้แก่หกตัวแทนนี่และตัวแทนนี่ยังแถมไปมีผู้บริหารผู้นําที่เป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกับไปมอบอำนาตัดสินใจให้นายกนี่ใช่ไหมนายกรัฐมนตรีก็เหมือนกับผู้กรรมอำนาจตัดสินใจ และทําการต human human ัดสินใจในนามของประชาชนนี carbohyd, uh, yeah. <S <S <S ่เนี่ยเมื่อเมื่ออานาจตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเขาจะใช้อํานาจตัดสินใจนั้นด้วยเอาอะไรเป็นตัวกําหนดอะไรเป็นเกณฑ์ตัดสินใจถ้าเอาตนเองความยิ่งใหญ่ของตนผลประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์ตัดสินก็เป็นอัตราที่ปิดใจนี่นี่เรามาดูตัวนี้และ ไม่ว่าระบอบไหนคุณจะเป็นบบระบอบเผด็จการหรือเป็ น, บบนประบอบคณะทิปไตยหรือระบอบอาจาธิปไตยเวลาใช้เกณฑ์ตัดสินใจที่ใช้อำนาจตัดสินใจนะ่ะเอาเกณฑ์ไหนถ้าเอาเกณฑ์ตัวเองผลประโยชน์ตนก็เป็นอาจาธิปไตยถ้าใช้กระแสความนิยมอะไรต่างๆหรือแม้แต่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ไ, ได้คอยฟังเขาจะว่ายังไงอะไรเงี้ย ก็เป็นโลกาธิ่เปิดใทีนี้ถ้าเอาความจริงความถูกต้องความดีงามใช้ปัญญาพิจารณาข้อมูลให้มันท่องแท้ชัดเจนเราคํานึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนความถูกต้องอะไรเงี้ยนะยนี่ก็เรียกว่าใช้เกณฑ์ตัดสินเป็นแบบธรรมาธิปไตยเพราะฉะนั้นผู้ปเด็จ ก, กายก็เป็นได้ทั้งอัตตาธิ่เปิดใโลกาที่เปไตยธรรมาธิปไตย ธนาที่ปิปไตยก็เป็นได้ทั้งอัตตาที่ปฏิปไตยโลกาที่ปิปไตยธรรมาธิปไต่ประชาธี่ปิปไตยก็เช่นเดียวกัน<ม>ก็เป็นอะไรทั้งอรรัตตาที่ปิปไตยโลกาที่ปิปไตยธรรมาธิปไต่<ม>ใช่ไหมแล้วเราต้องการให้เป็นธรรมาธิปไต่ถ้าผู้ปฏิ ก, การใช้เกณฑ์ตัดสินธรรมาธิปไตยก็เป็นปฏิปการที่ดี<ม>แต่ว่าเรากลัวว่าตัดสินใจไม่รอบคอบเพราะปัญญาจะไม่พอ ไอ้ถ้าหาว่าเป็นคณาทิปไตยตมันเป็นธรมาทิปไตมันก็ยังดีใช่ั้มทีนี้เราหวังว่าถ้าเป็นประชาธิปบตไตด้วยและมันใช้อนนานาจตัดสินใจโดยเกณฑ์ของธรมาทิปไตมันจะดีที่สุดถ้าอย่างนี้ก็ประชาชนทุกคนจะต้องเป็นธรมาทิปไตหมดใช่ั้มเพราะอันประชาชนทุกคนนี่มีอนนานาจตัดสินใจตั้งแต่ว่าเลือกตั้ง เราือตั้งก็ตัดสินใจได้ธรรมะที่ปไตยป้าบเลือกใครแหละ mm hmm. ก็ธรรมาธิ่ปไต่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นธรรมะที่ปไตยมันก็จะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจของทุกกิจกรรมในระบบประชาธิปไตย mm hmm. นี่คนที่จะมีอำนาจตัดสินใจที่สําคัญที่สุดก็คือผู้บริหารสูงสุดในกรณีนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะเหมือ น, นกัได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนใช้อำนาจตัดสินใจนี้แทนประชาชน นี่ถ้าแกทำหน้าที่ตัดสินใจแทนประชาชนใช้อำ น, นาจตัดสินใจนี้ด้วยเกณฑ์ธรรมารถปไตยมันก็ดีสิถูกไหมทีนี้ถ้าแกไปใช้เกณฑ์อัตราที่ปไตยก็เสร็จ <S S S S S S อตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยยิงไว้ตอนเนี้แต่ว่าตัวการใช้อำนาจนาตัดสินใจมันไม่ใช้ธรรมารถ <S S S> ปไตยมันไปใช้อัตราที่ปไตย ประชาธิปไตยมันจะดีได้มันต้องเป็นธรรมาธิปไตยเพราะอย่างนี้แล้วมาบรรจกกบทดินี่ประชาธิปไตยกับธรรมาีิปไตจะไม่สับสนสับสนไหมไม่สับสนเมื่อไงยุ่งอยู่เนี่ยจะให้ระบอกประชาธิปไตยเป็นธรรมาีิปไตว่ากันนวนเนี่หมดแต่อันนี้ต้องการพูดชี้ให้ชัดว่ามีแบบสรุปย่อๆได้ยินชัดเจนมา จริงนะคนเราไม่ค่อยมีหลักไม่มีหลักหลักคิดจับไม่ถูกจับไม่ถูกไม่ถ้าเราไม่ฟังท่านเราก็ไม่ถูกมันมองไม่อมองไม่ชัดลงไปมันต้องชัดลงไปอะไรเรื่องนี้มันอยู่ที่ตำแหน่งไหนอะไรความชัดเจนนี่สําคัญมากต้องจะแจ้งชัดเจนแตคือความจะแจ้งชัดเจนยังก็การจะทํำ ที่จะทําตรงนั้นให้ได้อ่านนี่จะความชัดเจนในการคิดแล้วก็พูดมาให้ชัดเจนคแล้วก็ทําให้ชัดเจนตรงตื่อคิดชัดเจนพูดชัดเจนคิดชัดพูดชัดทําชัดเรื่องเนี้นะที่จริงก็สําคัญนะพระเาที่ปิปไต่ธรรมะที่ปิปไต่คนจะชัดมิฉะนันมันยุ่มเหมือนแล้วก็ชาวพูดเดี๋ยวนี้ก็ชอพูดมากเรื่องธรรมะที่ิปไต่มันกลายเป็นเรื่องนี้แหละ ที่ว่าเมื่อกี้ไปไปมันคนข้างนอกมันจะมองว่าเท้าฝันเราก็ต้องกลับกลับว่านายกรัฐมนตรีคุณทําหน้าที่ใช้อํานาจตัดสินใจใแทนประชาชนคุณต้องเป็นธรรมาริปไตยัยมั้นประชาธิปไตยไม่มีทางสําเร็จใช่ไหมประชาธิปไตยจะดีไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีผู้นำไม่เป็นธรรมาริไตยไม่มีทาง เราก็เรียกว่าประชาธิปไตยนั้นไม่เป็นธรรมประชาธิปไตยจะเป็นธรรมไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีธรรมะที่ปไตยหรือจะเอาให้หนักกว่า น, นั้นก็ได้ประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีธรรมะที่ปไตย<ร peel> <apples. S 1> อันนั้นเป็นคำสรุป ข, ของที่พูดเมื่อกี้ เนื่นกว่าจริยธรรมการทำงาันลงตัวมัเชื่ปชอป้ายัก็เขียนป้ายยังยชัดเจนเลยอะไรจริยธรรมอะไรกับ อ, อ, อะไรต่ละนั้่มันเป็นเหมือนกับ ความ่างว่มนปองปงมันเตวบางทีมันคิดไม่ออกอ่ะี่มันจะมองให้ลงไปชัดให่่แม้แต่คาว่าอย่างประชานที่กระจอย่าที่ท่านซีแ่ทมาที่ปรดับตาที่กระจไยเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่มาจากข้างในตัวไม่ใช่เราประชาชนที่เนี้ยนี่คือระบอบการใช้ระบอบวันนี้ไต่นที่แบบมีอำนาจใช้างีไอ้ระบอบเนี้ยจะสาเร็จได้โดยตัวบุคคลนีที่้เรื่องอานาจอานาจที่ว่าตัดสินใจน เรื่องนั้นเรื่องนั้นโอ้โหยอดเลยจะเป็นน้ำน้าของคนหนึ่งคนหรือว่าธนาทิฏฐไ ต, ตหรือว่าบัญชาทิตฐิไต